การเสียงธรรมต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาคหนึ่งและภาคสองจากผลงานเขียนของอาจารย์พรรัตนสุวรรณและจัดพิมพ์โดยสำนักคนคว้าทางวิญญาณเมื่อปีพุทธศักราช2512ต่อไปนี้เป็นคํานําของเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาคหนึ่งในการพิมพ์ครั้งที่หนึ่งโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คำนี้ตามความรู้สึกของคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปแล้วมีความหมายอยู่สองอย่างคือหมายถึงพระรัตนาตรัยกับโอปปฏติกะที่เป็นเทพเจ้าซึ่งเราจะสังเกตได้จากสำนวนที่พูดกันว่าขออนุภาพแห่งคุณพระศีรัตนาตรายัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดนบันดาลให้จุดๆ จ, จ, จ, จากสำนวนนี้ตามความรู้สึกของผู้ที่กล่าวย่อมหมายความว่าพระรัตนตรัยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือเทพเจ้าผู้มียานอันวิเศษและมีฤทธิ์มีอำนาจมากซึ่งเข้าใจกันว่าสามารถจะดนบันดาลให้เกิดผลตามที่เราอธิษฐานได้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 จึงไม่ค่อยจะเชื่อในสิ่งเหล่านี้เท่าไหรนักแต่เนื่องจากในขณะนั้นเราไม่ทราบว่าจะอ้อนวอนหรืออธิษฐานเพื่อขอความคุ้มครองหรือเพื่อผลที่ต้องการจากใครหรือจากสิ่งใดได้ดีไปกว่านี้เราจึงได้อ้างถึงพระรัตนาตรัยและเทวดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อถือที่สืบต่อกันมาแต่โบราณถึงแม้จะไม่เห็นผล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 การจัดระบบเศรษฐกิจหรือการจัดระบบการปกครองแม้จะดีวิเศษสักเพียงใดก็ไม่อาจที่จะกวาดล้างความทุกข์ยากให้หมดไปจากโลกได้นอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าพูดถึงนี้เท่านั้นและในเมื่อความยุ่งยากต่างๆในโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังสามารถทำลายให้หมดไปได้ฉะนั้นสําหรับความยุ่งยากส่วนตัว หรือภัยพิบัติส่วนตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ย่อมสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้อย่างแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้คืออะไรขอให้ท่านพยายามอ่านข้อความในหนังสือเล่มนี้ให้ละเอียดโปรดอ่านหลายๆครั้งพิจารณาให้ถี่ถ่วนมิฉนั้นท่านจะมองไม่เห็นเลยว่า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 คือสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆหนังสือเล่มนี้ถ้าหากว่าใครอ่านแต่เพียงผ่านๆจับใจความสำคัญไม่ได้ก็จะไม่เห็นคุณค่าของหนังสือเล่มนี้แต่ถ้าอ่านด้วยความตั้งใจและพยายามอ่านทบทวนโดยเฉพาะข้อความตอนที่สำคัญๆหลายๆครั้งข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า หลักการที่ข้าพเจ้าบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้จะทำให้นักศึกษาหันมาสนใจในทางพระพุทธศาสนากันอย่างกว้างขวางทีเดียวและเราก็จะมองเห็นแสงสว่างในอันที่จะแก้ปัญหาต่างๆในสังคมรวมทั้งตัวเราเองได้ผลอย่างแน่นอนด้วยพรรัตนสุวรรณ12สิงหาคม2512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 คนโง่หรือที่มีการศึกษาน้อยก็มีทุกข์ไปอย่างหนึ่งคนฉลาดหรือคนที่มีการศึกษาสูงก็มีทุกข์ไปอีกอย่างหนึ่งรวมความแล้วไม่ว่าใครยังช่วยตัวเองไม่ได้ทั้งนั้นพระพุทธศาสนาสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับคนได้ทุกอย่างจริงและเป็นการแก้ที่ได้ผลตลอดกาลและวิธีอันใดซึ่งเป็นของพระพุทธศาสนา เมื่อเรานำมาใช้กับตัวเองได้ผลแล้วก็หมายความว่ากับคนอื่นก็ต้องได้ผลด้วยและผลที่จะได้รับนั้นจะติดต่อกันไปทุกๆกชาติและเขดีขึ้นโดยลำดับจนถึงขั้นได้ผลโดยสมบูรณ์กล่าวคือแม้แต่ความตายก็ช่วยแก้ปัญหาให้ได้ทำให้เราพ้นไปจากความตายได้ก็ในเมื่อแม้ความตาย พระพุทธศาสนายังช่วยเราได้ปัญหาอย่างอื่นซึ่งมีความสำคัญน้อยกว่าทาไมจะช่วยแก้ให้ไม่ได้เช่นปัญหาที่คนส่วนมากประสบกันอยู่ทุกวันนี้คือความยากจนความเจ็บป่วยและการเบียดเบียนกันในรูปต่างๆปัญหาทั้งหมดที่ว่านี้ถ้าหากไดเอาวิธีการทางพระพุทธศาสนามาใช้กันแล้ว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 ในเมื่อสามารถเข้าใจได้รวดเร็วและรู้จักหยิบเอาสิ่งที่เป็นสาระออกมาได้หรือสามารถอธิบายความหมายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเรียกว่าเป็นผู้แตกฉานในอัดคำว่าอัตตะตามศัพท์แปลว่าประโยชน์ความหมายเนื้อเรื่องสองธรรมะปฏิสามพิธาความแตกฉานในธรรมธรรมในที่นี้แปลว่าหลักความจริง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 นิรุตติปฏิสัมพิทาความแตกฉาในเรื่องภาษานิรุตติปแปลว่าภาษาคนที่ฉลาดในการใช้คำพูดได้ไพเราะลึกซึ้งความหมายชัดเจนก็คือคนที่แตกฉาในเรื่องนี้ 4. ปฏิภาณะปฏิสัมพิทาความแตกฉาในเรื่องปฏิภาณปฏิภาณแปลว่าการโต้อตอบหรือการแก้ปัญหา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 ก็เพราะเขาหวังผลมากเกินไปและอีกประการหนึ่งตัวเองก็ไม่เคยทดลองปฏิบัติด้วยตัวเองฉะนั้นจึงดูไม่ออกว่าคนที่เข้าวัดซึ่งถ้าหากเข้าเข้าไปอย่างถูกต้องแล้วขอย่อมดีขึ้นกว่าเดิมทุกคนข้อสำคัญอย่าเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบในเมื่อตัวเองรู้สึกว่ามีจิตใจสูงกว่า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 หยิบเอามาดูให้เห็นกันง่ายๆเหมือนกับสิ่งที่เป็นวัตถุนั้นทำไม่ได้บทที่สองจะสุขหรือทุกข์สำคัญอยู่ที่ใจทุกคนทราบได้ดีว่า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 ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีแล้วก็ทำให้ไม่สบายใจถ้าสิ่งแวดล้อมดีก็สบายใจความจริงข้อนี้เห็นได้ง่ายแต่โดยความเป็นจริงแล้วหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ขอให้สังเกตดูต้นไม้จะเกิดมาเป็นต้นอะไรสำคัญอยู่ที่เมล็ดของมันแต่ต้นไม้จะเกิดหรือไม่เกิดจะงามหรือไม่งาม ความสำคัญอยู่ที่สิ่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสําเร็จมาแต่วิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบุคคลใดมีวิญญาณชั่วจะพูดหรือทําอะไรก็ตามความทุกข์ก็จะติดตามเข้าไปเหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกียน แต่ถ้าหากวีวิญญาณผ่องใสยบริสุทธิ์ก็จะมีความสุขติดตามอยู่เสมอเหมือนเงาติดตามตัวความจริงข้อนี้คนส่วนมากไม่ค่อยจะนึกถึงและไม่พยายามที่จะศึกษาให้เข้าใจถึงความจริงในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะทำให้ใจสบายจึงมุ่งไปแก้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมซะเป็นส่วนมาก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 เพื่อให้มีความสบายใจนั้นถ้าหากจะได้ถือโอกาสปรับปรุปรงจิตใจให้ค่อยๆสูงขึ้นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมก็จะค่อยๆลดลงคือแปลว่าต่อมาภายหลังแม้จะยากจนร่างกายจะเจ็บป่วยหรือจะเกิดความผิดหวังในเรื่องอะไรก็ตามเขาก็สามารถที่จะรักษาใจของตนให้เป็นปกติอยู่ได้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 ที่จะช่วยยกฐานะทางจิตใจของคนระดับนี้ให้สูงขึ้นได้ทั้งหมดเพราะทำกันไม่ไหวเนื่องจากคนประเภทนี้มีจำนวนมากและจะต้องใช้ทุนมากมายด้วยเท่าที่ช่วยกันได้ในเวลานี้ก็มีเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นอันหนึง่งเนื่องจากคนส่วนใหญ่มีฐานจิตใจไม่สูงสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญมาก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 เราจะต้องมุ่งแก้ปัญหาที่จิตใจของตัวเองและด้วยเหตุนี้เองเมื่อพูดว่าศาสนาสามารถช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างให้กับคนเราได้คนส่วนมากจึงมองไม่เห็นว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะตัวเขาเองในเมื่อสิ่งแวดล้อมยังไม่ดีขึ้นเขาก็แค่ไขจิตใจของเขาให้ดีขึ้นไม่ได้และในทางศาสนา ก็มีแต่จะสอนให้แก้ไขปัญหาในทางจิตใจฉะนั้นเขาจึงมองไม่เห็นทางว่ า, าศาสนาจะช่วยได้อย่างไรบทที่สคนประเภทไหนที่จะช่วยเหลือสังคมได้ดีแต่อย่างไรก็ดีถึงแม้คนส่วนน้อยจะเห็นว่ า, าศาสนาสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับคนเราได้ทุกอย่างก็จริง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 และเป็นคนที่สามารถนั่งสมาธิได้ทุกวันซึ่งนั่งเมื่อใดใจก็สงบทุกครั้งและทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตลึกซึ้งขึ้นโดยลาดับคนกลุ่มน้อยประเภทนี้แหละซึ่งสมรรถภาพในตัวเขาเองเพิ่มขึ้นโดยลาดับและยิ่งมีอายุมากขึ้นสมรรถภาพก็ยิ่งเพิ่มพูนทวีมากขึ้นคนกลุ่มนี้ละ่ะ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 เหตุไรพระพุทธศาสนาจึงสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับคนเราได้ทุกอย่างขอได้โปรดจำไว้ให้แม่นว่าพระพุทธศาสนาที่ว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้แก่เราได้ทุกอย่างนั้นมีเหตุผลอยู่สามประการคือหนึ่งพระพุทธศาสนาสามารถทำให้คนเรามีความสบายใจอยู่ได้เสมอ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 คนที่มีศีลธรรมเพราะกลัวคนอื่นจะตําหนิหรือลงโทษหรือกลัวจะเสียชื่อกลัวจะสวนเสียประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้คนที่มีศีลธรรมอยู่กับตัวได้เพระาะาศัยคนอื่นเช่นนี้พระาะาศัยสิ่งภายนอกเช่นนี้ศีลธรรมอย่างนี้ไม่มีความมั่นคงส่วนคนที่ยึดมั่นอยู่ในศีลในธรรมโดยไม่ปรารบถึงคนอื่นหรือสิ่งภายนอก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 ให้มีศสรธรรมเกิดขึ้นจากตัวเองดังที่กล่าวมานี้ได้อย่างแน่นอนฉะนั้นถ้าลองคิดดูถ้าหากคนที่มีศสรธรรมเกิดจากตัวเองนี้เป็นคนมีความรู้ความสามารถมีที่พลนในสังคมเป็นคนที่มีความรู้ในการเศรษฐกิจเป็นอย่างดีคนประเภทนี้จะสามารถช่วยสังคมได้สักเพียงไร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 ในเมื่อกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีและในเมื่อคนในระดับนี้ไม่มีศีลธรรมอย่างเพียงพอแล้วเขาก็จะกลายเป็นเหมือนพวกยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งยักษ์พวกนี้มีฤทธิ์เมียมนานมากมนุษย์สู้ไม่ได้แม้กระทั่งเทวดาวก็สู้ไม่ได้เรื่องจึงได้เดือดร้อนไปถึงพระนารายณ์ต้องเสด็จอวตาร ล, ลงมาเกิดเป็นมนุษย์จึงได้ปราบยักษ์ได้ บทที่หข้อคิดจากเรื่องรามเกียรติ์ขอได้โปรดสังเกตว่าพระรามแม้จะได้ชื่อว่าเป็นพนะระนารายณ์อวตาร ล, ลงมาแต่ก็ไม่มีฤทธิ์อะไรถ้าหากไม่ได้อาศัยฮนุมานและสุครีพเป็นต้นก็ไม่อาจจะปราบยักษ์ได้พระพุทธศาสนาในขณะนี้ก็เหมือนกับพระรามสำหรับคนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาจริงๆ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 ยอมรับใช้พระรามด้วยชีวิตทั้งหมดก็เพราะพวกเหล่านี้ได้เห็นแล้วว่าพระรามก็คือพระนารายณ์สี่ก่อนผู้เสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์แน่นอนเหลือเกินว่าถ้าหานุ ม, มานหรือสุครีพไม่เห็นสี่ก่อนแล้วก็คงจะไม่ยอมรับใช้แน่นอนเวลานี้ปัญหาสำคัญมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือคนที่อยู่ในฐานะ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 แล้วก็หันมาตั้งตาฝึกแต่สมาธิตรงกันข้ามคนที่เข้าใจซึ่งในเรื่องพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนั้นจะช่วยส่งเสริมศิลปะวิทยาและอาชีพต่างๆตลอดทั้งศิลปะในอันที่จะทำให้โลกมีความงามมีความไพเราะมีความร่าเริงสนุกสนานอีกด้วยทั้งนี้ก็เพราะมีความจริงอยู่ว่า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 ไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้นำในทางศาสนาเพราะจะเป็นผู้ขนขวายอยู่แต่ในประโยชน์ของตนในวงแคบๆจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและหลักการเพื่อคนส่วนใหญ่ไม่ได้อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าซึ่งโดยปกติก็ทรงสอนแต่ในเรื่องธรรมนั้นพระองค์ทรงเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกและเป็นสัพพันญูทรงรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่าง ข้าพเจ้าขอเนเดีนด้วยความมั่นใจอย่างที่สุดว่าถ้าพุทธศาสนาเท่านั้นที่สามารถจะช่วยแก้ปัญหาให้กับตัวเราได้ทุกอย่างและในเมื่อแก้ปัญหาให้กับตัวเราได้ก็ย่อมจะนำไปใช้แก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือในสังคมก็ตามถ้าผู้นำสังคมในกลุ่มไหนหรือระดับไหนก็ตาม หากได้ยึดถือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจาการต่างๆแล้วประเทศของเราก็จะต้องก้าวหน้าไปสู่ความเจริญอย่างชนิดที่ทำให้คนทุกระดับมีความเป็นอยู่สะดวกสบายและมีความสุขยิ่งกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้และในเมื่อเราใช้หลักพระพุทธศาสนาภายในประเทศของเราได้ผลทุกทาง คือทั้งในด้านเศษรษฐกิจการศึกษาการสาธารณาสุขและการปกครองเป็นต้นก็จะเป็นตัวอย่างให้ประเทศอื่นๆ น, นำหลักการและวิธีการต่างๆของเราไปใช้ซึ่งในที่สุดโลกทั้งหมดก็จะก้าวไปสู่ยุคที่อุดมสมบูรณ์และโลกนี้ก็จะกลายเป็นดินแดนสวรรค์แห่งหนึ่งแต่อย่างไรก็ดี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 หรือมีการตัดรอนอิสรภาพหรือสิทธิเสรีภาพอะไรก็ตามถ้าหากว่ามันจะเป็นวิธีที่จะทำให้คนส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ดีขึ้นประเทศของตัวเองมีอำนาจ ม, มากขึ้นก็ควรจะใช้วิธีนี้เพราะเห็นผลเร็วบางคนอาจจะมีความเห็นแบบนี้และทุกวันนี้ก็เหมือนว่าคนที่มีความเห็นแบบนี้มีมากยิ่งกว่าในยุคใดๆ ครั้งนี้เนื่องจากความเจริญในด้านวัตถุและความเป็นอยู่อันสะดวกสบายและความสุขสมราญของบุคคลวางกลุ่มซึ่งมีเป็นจำนวนน้อยมากนั้นทำให้คนส่วนใหญ่เกิดความทะเยอทยานอยากจะมีอยากจะได้เหมือนกับคนกลุ่มนี้บ้างและต้องการจะหาให้ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยกล่าวคือจะต้องพยายามหาให้ได้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 แน่นที่จะหาความสุขมากกว่าคนกลุ่มใหญ่ความเป็นอยู่ซึ่งเห็นกันอยู่ทั่วๆไปของบุคคลในกลุ่มนี้แหละเป็นจุดยั่วย้าวให้คนกลุ่มใหญ่เกิดความทะเยอทยานใคร่ที่จะเอาอย่างแต่แล้วก็จะพบว่าบุคคลกลุ่มใหญ่ดังที่กล่าวมานี้อยู่ในฐานะที่ยากจนและขาดแคลนต่างๆกว่าคนกลุ่มน้อยนั้นมาก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 ยังเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้การทำสงครามทั้งในทางตรงและทางอ้อมระหว่างโลกทั้งสองฝ่ายนี้ยังจะต้องมีอยู่ต่อไปอีกนานข้าพเจ้ามองเห็นอย่างทะลุกลุ่โปร่งทีเดียวว่าทุกวันนี้จะต้องนำวิธีทางพระพุทธศาสนามาใช้เท่านั้นจึงจะสามารถขจัดความขัดแยง้งความยากจน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 เราก็ต้องมาเสียเวลาซ่อมแซมหรือไม่ก็ต้องสร้างขึ้นอีกตรงกันข้ามถ้าหากเราพยายามสร้างบ้านด้วยการก่ออิฐหรือใช้คอนกรีตเสริมเหล็กยิ่งอยู่ต้องใช้ทุนมากต้องเสียเวลามากกว่าจะสาเร็จขึ้นมาได้แต่มันก็คุ้มกันเพราะถ้าเราสร้างบ้านให้คนอยู่เป็นตึกที่ถาวรปัญหายุ่งยากที่จะติดตามมาในภายหลัง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 เท่ากับวิธีการของพระพุทธศาสนาขอให้ท่านนึกถึงหลักอันนี้บ่อยๆว่าแม้แต่ความแก่ความเจ็บและความตายทางพระพุทธศาสนายังสามารถช่วยได้กล่าวคือทําให้คนที่เข้าถึงธรรมนั้นไม่เป็นห่วงตัวเองไม่มีความวิตกกังวลแม้ว่าเดี๋ยวนี้จะกําลังแก่กําลังเจ็บอยู่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 จึงเป็นการบังคับอยู่ในตัวที่จะทำให้บุคคลประเภทนี้ต้องมีศีลธรรมอยู่ตลอดเวลาข้อความต่างๆดังที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแนวสังเขตถึงหลักการของพระพุทธศาสนาที่จะชี้ให้เห็นว่าการแก้ปัญหาของสังคมต้องวิธีทางพระพุทธศาสนาไปใช้ต้องปูพื้นฐานพระพุทธศาสนาลงในสังคมอย่างกว้างขวาง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 เพรคนเราจะมีความสบายใจและมีสมรรถภาพเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่เพื่อการสร้างบารมีหรือปฏิบัติตามมรรคมีองแปดและทั้งต้องเป็นคนที่รู้แจ้ด้วยตัวเขาเองว่าถ้าหากเราไม่มีศีลธรรมอย่างเพียงพอแล้วเราก็ไม่อาจที่จะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า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 พวกนี้พอมีฤทธิ์เกิดขึ้นทั้งมนุษย์และเทวดาก็พากันเดือดร้อนจนถึงพระนารายณ์ต้องอวตาลลงมาปราบและนอกจากพระนารายณ์แล้วก็ไม่มีใครที่สามารถจะปราบยักษ์ได้แต่อย่าลืมว่าลำพังพระรามองค์เดียวไม่อาจจะปราบยักษ์ได้แม้จะมีฤทธิ์คือมีศรที่สามารถจะปราบยักษ์ได้และมีบุญบรารมีคุ้มครอง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 ที่เข้าถึงเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานั้นย่อมจะรู้แจ้งแก่ใจของตนเองอยู่เสมอว่าเราไม่มีทางรอดนอกจากทางเดียวคือยึดถือพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดเท่านั้นและเราไม่มีทางรอดถ้าหากไม่คิดปรับปรุงจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรมต่างๆ และการที่จะปรับปรุงจิตใจของตนเองให้สูงขึ้นก็มีอยู่ทางเดียวคือเราต้องพยายามสลัดความยึดถือและความอยากได้เพื่อตัวเองออกไปให้มากที่สุดที่จะทำได้จนกระทั่งตันหาอุปาทานในสันดานไม่มีเลยนั่นแหละจึงจะพ้นทุกข์ได้จริงๆแต่การที่เราจะทำได้อย่างนี้ก็มีอยู่ทางเดียวที่ได้ผลแน่นอน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 ย่อมขึ้นอยู่กับชีวิตภายในฐานะภายนอกก็มาจากฐานะภายในเหมือนต้นไม้ย่อมเกิดมาจากเมล็ดของมันต้นไม้จะเป็นต้นอะไรความสําคัญอยู่ที่เมล็ดของมันขอให้สังเกตให้ละเอียดว่าคนที่เข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้องตามความเป็นจริงต้องเป็นคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น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 จะมีหลักคำสอนไม่ว่าของรัตทีใดที่จะประเสริฐในอันที่จะทำให้คนเรามีศีลธรรมเกิดจากตัวเองได้ดีเท่ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าและก็ไม่มีหลักธรรมใดที่จะทำให้คนเรามีความสบายใจอยู่เสมอและทำให้สมรรถภาพของคนเราเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆและสืบต่อกันไปทุกๆุชาติเท่ากับคำสอนของพระพุทธเจ้า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 ขอให้จําไว้ให้ดีว่าเมื่อพูดถึงคําว่าวิบากจะต้องหมายถึงผลแห่งการกระทําที่เกิดขึ้นในสัญญาณเสมอและจะต้องเกิดขึ้นทุกครั้งและเกิดทันทีในเมื่อการกระทําได้เกิดขึ้นกรรมในทางพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสามอย่างคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกายกรรมแปลว่าการกระทําทางกาย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 เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจว่าคนที่นั่งอยู่เฉยๆไม่พูดไม่ทำอะไรจะถือว่าในขณะนั้นไม่ทากรรมอะไรไม่ได้การกระทําทั้งสามอย่างนั้นถ้าหากเป็นไปในทางที่ดีก็เรียกว่ากุศ ล, ลกรรมถ้าเป็นไปในทางชั่วก็เรียกว่าอกุศลกรรมกล่าวคือเมื่อพูดดีทำดีหรือคิดดีก็เรียกว่าประกอบกุศลกรรม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 ไม่ค่อยจะนึกถึงผลของการกระทาที่เกิดขึ้นในสันดานและมักจะหมายถึงแต่ผลในด้านศีลธรรมเท่านั้นซึ่งนับว่าเป็นความเข้าใจที่ยังแคบมากบทที่เก้า กรรมในความหมายที่ลึกซึ้งกรรมในความหมายที่ลึกซึ้งจริงๆของพระพุทธศาสนานานหมายถึงพฤติกรรมทุกอย่างเช่นการเดินการยืนการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวทุกอย่างการทํางานทุกอย่างโดยที่สุดแม้การกระทํางานตามหน้าที่ของอวัยวะภายในเช่นการเต้นของหัวใจ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 อย่างนี้ก็เรียกว่าวิบากสมรรถภาพต่างๆของร่างกายเช่นความสามารถในการเดินในการยืนในการวิ่งอย่างนี้เป็นต้นที่เรียกว่าวิบากนั้นก็พระความสามารถต่างๆเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วเป็นความสามารถของยินญาณเป็นคุณสมบัติของยินญาณไม่ใช่เป็นความสามารถของร่างกายหรือเกิดจากร่างกายโดยตรง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 ก็เป็นเพราะเราเคยทำอย่างนั้นมาแล้วในชาติก่อนสมรรถภาพในเรื่องนั้นได้สืบต่อมาถึงชาตินี้ซึ่งข้อนี้เราจะสังเกตเห็นได้จากตัวอย่างที่ว่าเราะคนหลายคนมหัรทมในสิ่งเดียวกันใช้เวลาเท่ากันแต่แล้วสมรรถภาพที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันวิบาก็คือสมรรถภาพต่างๆ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 ก็ไม่อาจที่จะช่วยให้พระองค์สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้อันหนึง่งถ้าหากเราพิจารณาดูถึงชีวิตของพระเยซูซึ่งเป็นศาสดาผู้หนึ่งซึ่งตามคำภีได้กล่าวว่าพระองค์เป็นผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าส่งลงมาเพื่อให้มาช่วยไถ่าบาปให้กับมรุษยชาติเมื่อคราวที่พระองค์ถูกทหารโรมันจับและในที่สุด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 เพราะฉะนั้นจึงได้ทรงยินยอมที่จะตายด้วยความเต็มใจจากเรื่องของพระเยซูดังที่กล่าวมานี้ถ้าหากเราเข้าใจเรื่องวิบากอย่างลึกซึ้งก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าพระผู้เป็นเจ้าที่พระเยซูอ้างถึงนั้นหมายถึงอะไรแล้วเราก็จะเห็นได้ชัดว่าคนเราทุกคน เมื่อถึงข่าวที่วิบากจะต้องให้ผลออกมาในรูปไหนแล้วใครๆก็ไม่อาจที่จะขัดขวางได้และเมื่อเราศึกษาชีวประวัติของพระองค์คุริมานเราก็จะได้แง่คิดว่าพระองค์คุริมานน่าจะต้องตายด้วยอาวุธของผู้อื่นตัวคนเดียวแต่สามารถฆ่าคนได้มากมายใครๆก็ไม่อาจที่จะฆ่าท่านให้ตายได้ทั้งนี้ก็เพราะ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 แม้พระองค์จะทรงทราบและทรงมีความเมตตาต่อผู้นั้นสักเพียงไรพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะทรงดลบันดาลให้เขารอดพ้นจากความตายได้หรือคนที่มีความเจ็บป่วยซึ่งโดยธรรมดาเขาจะยังไม่หายเพราะเหตุของมันเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะทรงดลบันดาลให้คนนั้นหายป่วยได้ทันทีตัวอย่างในธรนองนี้ ในสมัยครั้งพุทธกาลมีมากมายขอให้พิจารณาดูทั้งทั้งที่พระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่และทั้งทั้งที่พระองค์คือเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งได้จุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายได้มองเห็นพระองค์อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ได้แต่ถึงกระ น, นั้นพระองค์ก็ไม่สามารถจะทรงดลบันดาลให้เกิดผลต่างๆ ตามที่มนุษย์ปรารถนาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นยอดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และได้ปรากฏร่างให้มนุษย์แลเเห็นติดต่อพูดจากับมนุษย์ทั้งหลายรู้เรื่องก็ยังไม่สามารถที่จะทรงช่วยใครให้เกินไปกว่าวิบากที่เขามีอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นความงมงายและเป็นความหลวงผิดที่ใครๆจะไปอ้อนวอน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 สัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามวิบากของตัวที่ได้สร้างเอาไว้ไม่มีใครหนีพ้นไปได้กรรมมังสัตเตวิภัชติยะทิทางหีนัปปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและปัญญีตกล่าวคือใครจะเกิดมาเป็นอะไรจะดีหรือเลวอย่างไรก็สุดแล้วแต่วิบากที่ตัวเองได้สร้างเอาไว้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 เพื่อจะปลดความเป็นทาสของพวกอิสราเอลแต่ว่าแทนที่พระองค์จะส่งให้ไปเกิดเป็นราชโอรสของกษัตริย์อียิปต์แล้วต่อมาให้เกิดความเมตตาปราณีแล้วก็ปลดปล่อยพวกอิสราเอลให้พ้นจากความเป็นทาสซึ่งดูจะเป็นวิธีที่ดีกว่าแต่เหตุการณ์หาได้เป็นเช่นนั้นไม่พระองค์กลับสรงให้โมเสสไปเกิดในตระกูลของยิว ซึ่งเป็นทาสของผู้อียิปต์แต่แล้วก็ทรงบันดาลให้โมเสสไปเจริญเติบโตในราชสำนักและต่อมาก็ต้องกลับมาเป็นทาสอีกและได้ถูกกษัตริย์ของอียิปต์ในประเทศให้ออกจากประเทศอียิปต์ให้ต้องเดินทางฝ่าลมและแดดอันแสนที่จะทรมานและทารุณที่สุดท่ามกลางทะเลซายแต่ก็ไม่ตายเพราะพระเจ้าทรงคุ้มครอง และเป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่จะให้โมเสสมีความเข้มแข็งมีความอดทนอันยอดเยี่ยมและในที่สุดด้วยการชักจูงของพระผู้เป็นเจ้าทําให้โมเสสได้ขึ้นไปบนภูเขาซีนายทาให้โมเสสได้เห็นรัศมีของพระผู้เป็นเจ้าได้ยินเสียงของพระผู้เป็นเจ้าได้รับเชิญจากพระผู้เป็นเจ้าจนกระทั่งทาให้โมเสส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 ได้อย่างชัดเจนมากถึงแม้ว่าตามท้องเรื่องจะแลดูเป็นนิยายก็ตามแต่สำหรับข้าพเจ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนิยายชี่ไร้าสาระตรงกันข้ามข้าพเจ้ามองเห็นความหมายที่อยู่เบื้องหลังของนิยายนี้ข้าพเจ้ามองเห็นความจริงอันยิ่งใหญ่เป็นความจริงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีฤทธิ์อานาจเช่นนั้นจริงๆ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 วิบากที่ว่านี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งในเมื่อมีการกระทำเกิดขึ้นและการกระทำที่ว่านี้ไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าต้องพูดหรือทำอะไรออกมาด้วยมือหรือด้วยอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งจึงจะเรียกว่าเป็นการกระทำขอได้โปรดจำไว้ให้ดีว่าแม้แต่เพียงนึกคิดอยู่ในใจก็ถือว่าเป็นการกระทำและทุกขณะที่เกิดวิบากก็เกิด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 การทำงานของปอดและของอวัยวะต่างๆในร่างกายทั้งหมดนั้นก็คือกรรมทั้งสิ้นและวิบากที่เกิดก็คือสมรรถภาพของอวัยวะต่างๆนั่นเองบทที่สิบเอ็ด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 เบื่อนายต่อสิ่งต่างๆ ง, ง่ายอารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตกเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมได้ง่ายทั้งหมดที่ว่านี้ล้วนแต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากวิบากของความทุกข์สะสมเอาไว้ทั้งสิ้นจงจําไว้ว่าเมื่อใดความโกรธเกิดขึ้นในใจเมื่อนานวิบากของมันย่อมเกิดขึ้นในสันดานในทํานองเดียวกันเมื่อใดความทุกข์เกิดขึ้นในใจ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 แต่ในเรื่องความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้น บ, บ่อยๆคนส่วนมากไม่รู้สึกกันเลยเพราะคิดเสียว่าเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวนี้เราสบายใจแล้วก็คงจะไม่มีอะไรเป็นผลตกค้างเหลืออยู่ถ้าอยากจะรู้ว่ามิบาของความทุกข์ที่สะสมอยู่ในส้นดานนั้นจะมีมากหรือมีน้อยก็ขอให้เข้าสมาธิดูแล้วจะรู้ว่า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 เหมือนกับปรลอดทีเดียวได้กล่าวมาแล้วว่าวิบากมีอยู่สี่อย่างคือวิบากของเวทนาวิบากของสัญญาวิบากของสังขารและวิบากของวิญญาณและคําว่าเวทนานั้นแปลว่าความรู้สึกเวทนาในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าน่าสงสารเวทนามีอยู่สามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนา วิบากของความทุกข์ได้ที่บายมาแล้วถ้าหาเข้าใจดีวิบากของความสุขวิบากของความรู้สึกเฉยเฉยก็เข<ว danach>้าใจกันได้ไม่ยากเพราะมีกฎอย่างเดียวกันกล่าวคือเมื่อใดความสุขเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบากของมันย่อมเกิดขึ้นในสันดานเมื่อใดความรู้สึกเฉยเฉยเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบากของมันย่อมเกิดขึ้นในสันดาน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 จะไม่ผิดอะไรกับคนบางคนที่ชอบรับประทานอาหารเลือกเอาเฉพาะแต่ที่อร่อยถูกใจเป็นเรื่องสำคัญแต่อาหารไม่ค่อยมีคุณภาพมีหนามซ้ำทั้งที่รู้อยู่ว่าอาหารนี้ไม่สะอาดอาจจะมีเชื้อโรคอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แต่เพราะอร่อยก็ยังรับประทานเข้าไปซึ่งในที่สุดก็จะต้องเกิดโรคหรือไม่ก็ร่างกายอ่อนแอ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 สำหรับคนที่สะสมวิบากของอุเบกขาอย่างนี้ในที่สุดจะกลายเป็นคนที่สุขุมและรอบคอบคิดอะไรได้ลึกซึ้งคนที่จะเป็นคนใจเย็นและไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นจะต้องเป็นคนที่สะสมวิบากของความสุขที่ดีและสะสมวิบากของอุเบกขาที่ดีมาอย่างเพียงพอทีเดียววิบากของสัญญา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 เมื่อนานวิบากขรมมันย่อมเกิดขึ้นในสันดานในทำนองเดียวกันเมื่อใดความเมตตาเกิดขึ้นในใจเมื่อนานวิบากขรมมันย่อมเกิดขึ้นในสันดานขอให้จำตัวอย่างทั้งสองนี้เข้าไว้เพราะสังขารข้ออื่นๆก็อยู่ในกฎอันเดียวกันทั้งสิน้นเช่นเมื่อใดความโง่เกิดขึ้นในใจตัณหาเกิดขึ้นในใจอุปาทานเกิดขึ้นในใจ เมื่อนั้นวิบาคของมันก็เกิดขึ้นในสันดานและในทรรนองเดียวกันเมื่อใดปัญญาเกิดขึ้นในใจศรัทธาเกิดขึ้นในใจการปล่อยวางเกิดขึ้นในใจการเสียสละเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบาคของมันก็เกิดขึ้นในสันดานในชีวิตประจําวันคนเราได้ทําการสะสมวิบากของสังขาร ทั้งในทางดีและทางชื่วอยู่เสมอทุกขณะจิตและอย่าลืมว่าแม้แต่เพียงนั่งคิดอยู่เฉยๆวิบากก็เกิดเพราะฉะนั้นคนที่ปล่อยให้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นบ่อยๆวิบากของความฟุ้งซ่านก็จะมากขึ้นโดยลําดับคนส่วนมากที่เข้าสมาธิกันไม่ได้ก็เพราะชอบสร้างวิมานในอากาศชอบเพ้อฝัน ชอบปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปโดยไม่มีจุดหมายและที่ร้ายที่สุดก็คือปล่อยให้ความวิตกกังวลเกิดขึ้นเสมอไม่พยายามที่จะสลัดออกมีพุทธพจน์อยู่บทหนึ่งว่าสินจาพิกขุอิมังนาวางังสิ ต, ตาเตละหูเมสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงวิตเรือนี้เพราะเมื่อวิตน้ำออกจากเรือได้หมดแล้ว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 วิบากของวิญญาณวิญญาณหมายถึงจากสู่วิญญาณการเห็นโสตวิญญาณการได้ยินคานวิญญาณการรู้สึกกลิ่นชิวหายวิญญาณการรู้สึกรสกายาวิญญาณการรู้สึกสัมผัสทางกายและมโนวิญญาณความนึกคิดโดยธรรมดาในขณะที่การเห็นเกิดขึ้นวิบากยังไม่เกิดขึ้น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 ด้วยเหตุนี้ในหลักอภิธรรมจึงได้กล่าวไว้ว่าวิบากมีอยู่สี่ขันดังที่ได้ที่บายมาแล้วบทที่สิบสองวิญญาณคือพืชแห่งชีวิต คนเราเมื่อตายก็ตายแต่ร่างกายแต่วิญญาณยังอยู่วิบากยังอยู่ชีวิตที่เกิดขึ้นมานี้เป็นผลที่เกิดมาจากวิบากเช่นเดียวกับต้นไม้เป็นผลที่เกิดมาจากเมล็ดของมันต้นไม้แม้จะตายแต่ถ้าเมล็ดยังอยู่และดินฟ้าอากาศยังอานวยให้เมล็ดนั้นก็จะต้องงอกขึ้นมาอีกข้อนี้ฉันใด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 เพราะพระพุทธเจ้าหรือเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็าตามจะช่วยใครได้ก็เท่าที่บากของเขามีอยู่เท่านั้นจะช่วยใครให้เกินไปกว่าวิบากที่เขามีอยู่ไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้ได้เคยที่บายมาแล้วในตอนต้นโดยหลักธรรมดาคนเราจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องอาศัยเหตุสามอย่างคือหนึ่งต้องอาศัยพ่อแม่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 ขอให้ดูตัวอย่างโมเสสซึ่งเป็นคนของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือโมเสสอย่างไรถ้าเยซูซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือบุตรของพระองค์อย่างไรแม้ในทางศาสนาพราหมหรือศาสนาฮินดูพระนารายจะปราบยักษ์ก็ยังต้องเสด็จอวตานลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วชนะยักษ์ได้ก็โดยอาศัยความรู้ความสามารถ อาศัยความเพียรอาศัยบารามีไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็สามารถที่จะมาดานให้เกิดผลตามที่ต้องการขึ้นมาได้คนที่เข้าใจถึงเรื่องชีวิตตามความเป็นจริงดังที่กล่าวมานี้ถ้าหากว่าใจที่ฐานหรืออ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือดอนบัรดาลให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่าได้ลืมเป็นอันขาดว่า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 เขาจึงได้อ้อนวอนขอให้เทวดาที่อยู่ในป่านั้นช่วยเหลือเทวดาก็มาปรากฏร่างให้เห็นครั้นแล้วเทวดาก็บอกว่าให้เอาบ่าดันเกวียนเข้าและพร้อมกันนานก็ตีวัวให้ลากเกวียนซึ่งในที่สุดเกวียนก็ขึ้นจากลมได้จงสังเกตว่าเทวดาไม่ได้มาช่วยแบกหรือช่วยดัน หรือมาบรรดาให้เกวียนลอยขึ้นจากลมแต่ถ้าหากเทวดาไม่มาแนะนวความคิดให้พ่อค้าเกวียนก็อาจจะนึกไม่ได้ว่าควรจะทําอย่างไรเกวียนจะขึ้นจากลมได้นี่คือตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่จะอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออันหนึ่งในเมื่อคนเราปรารถนาสิ่งใด จะสำเร็จได้ก็โดยการกระทํำของตัวเองดังที่กล่าวมาเช่นนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นว่าพระรัตน์ตรายและเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะช่วยเหลือได้อย่างไรการอ้อนวอนหรือการอธิษฐานจะสําเร็จผลได้อย่างไรการอธิษฐานเท่าที่ทํากันอยู่ก็จะเป็นเรื่องของความงง ง, ง่ายเท่านั้นใช่ไหม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 พระผู้มีพระภาคเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้สัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบวิชาจรณะสมปันโนเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีโล ก, กวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตโรปุริสะธรรมมสารถิเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้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 จะต้องเป็นบุคคลที่ซึ้งในคุณธรรมความดีของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมานี้และที่ว่าซึ้งนั้นหมายความว่ามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีศรัทธาภาษาทาอย่างมั่นคงและที่ว่าพระพุทธองค์จะทรงช่วยเราได้ ท, ทั้งที่ไม่มีตัวตนปรากฏอยู่นี่หมายความว่า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 ประเด็นหลังนี่แหละซึ่งบางคนเคยเห็นผลชัดมาแล้วเช่นตนเองเคยมีความคล้วคลาดจากอันตรายมาได้อย่างกับปาฏิหารหรือได้ผลตามที่ต้องการขึ้นมาทันทีอย่าลืมว่าปัจจัยสําคัญที่จะช่วยคุ้มครองหรือบรรดาลให้เกิดผลตามความต้องการนั้นคือวิบากของกุศลที่มีอยู่ในตัวเราการอธิษฐาน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 ต้นไม้กาลังรอฝนอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วที่จะให้ผลยังขาดอยู่แต่เพียงน้ำที่จะให้ดินชุ่มชื้นทำให้ต้นไม้สดชื่นเท่านั้นฉะนั้นพอได้น้าต้นไม้ก็จะงอกงามขึ้นมาเห็นได้ชัดและในไม่ช้าก็ออกดอกออกผลการทำความดีจะเป็นสิ่งที่ต้องฝืนใจ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 ให้วิบากคงกุศลนา น, นผลิตผลเร็วขึ้นอันนี้แหละคือเบื้องหลังของการอธิษฐานที่ทำให้บางคนเห็นผลทันตาแล้วก็ยอมรับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอนุภาพของพระตนาตรัยมีจริงในเรื่องธรรมคุณและสังคคุณก็เหมือนกันเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจการอธิษฐานจึงจะมีผลอย่าลืมว่า เวลาเราอธิษฐานขอให้พระรัตนาตรัยคุ้มครองหรือโดนบันดาลอย่างนั้นอย่างนี้วิธีที่จะทำให้ได้ผลดีขึ้นก็คือบทที่สิบสีวิธีอธิษฐานที่ได้ผล ในขณะที่เราอธิษฐานนั้นเราจะต้องนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณหรือพระสังคคุณบทใดบทหนึ่งเพื่อให้เกิดศรัทธาและในเมื่อศรัทธาเกิดแล้วกําลังใจก็จะเกิดขึ้นความกล้ า, าหาญความอดทนความเสียสละและความดีอื่นๆ อ, อ, อีกหลายอย่างก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าจะให้ดี เราจะต้องรู้จักนึกถึงบทใดบทหนึ่งให้เหมาะแก่อกาสนั้นๆด้วยไม่ใช่หมายความว่าเราเคยนึกถึงบทไหนก็นึกถึงแต่บทนั้นการอ้อนวอนหรือการอธิษฐานขอยพิจารณาจากตัวอย่างคำอธิษฐานของพระเยซูแล้วจะทำให้เราเข้าใจว่าในจังหวะใดหรือในโอกาสใดเราควรจะนึกถึงพระพุทธคุณ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 ก็มีความน้อยใจทําการต่อว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความหวาดกลัวจนเสียสติสัมปชัญญะหรือเกิดความเาศร้าโศกร่ําไห้เป็นการใหญ่แต่ตรงกันข้ามพระเยซูไม่ได้เปลี่ยนเช่นนี้เลยขอให้สังเกตดูให้ดีพระเยซูทั้งทั้งที่พระองค์ทรงอยู่ในความทุกข์ทรมานเช่นนั้น แต่พระองค์กลับทรงอธิษฐานอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าก่อนจะสิ้นพระชนว่าโอบิดาพระเจ้าข้าขอได้โปรดยกโทษให้เขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรคอยสังเกตคำอธิษฐานของพระเยซูให้ดีคำอธิษฐานนี้เป็นหลักจิตวิทยาขั้นสูงแสดงให้เห็นถึงนาพระทัยของพระองค์ และแสดงให้เห็นถึงหลักหรือศิละปะแห่งการให้อภัยคนโดยธรรมดาเด็กทารกแม้จะทำความผิดร้ายแรงเสกเพียงไรใครๆก็ย่อมให้อภัยเช่นสมมติว่าเล่นปืนและปืนเกิดลั่นขึ้นมาไปถูกพ่อตายหรือแม่ตายหรือถูกใครตายก็ตามก็จะไม่มีใครเอาโทษแม้แต่คนที่ถูกยิงเองก็จะไม่โกรธ ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีจิตใจสูงเพราะถือว่าเด็กไม่รู้อะไรทำไปเพราะไร้เดียงสาพระเยซูเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องชีวิตทั้งที่เป็นของมนุษย์และทั้งที่เป็นของโอปะปะติกะแจ่มแจ้งชัดเจนรู้ถึงชีวิตหลังจากตายเป็นอย่างดีสำหรับพระองค์เองนั้นได้บรรลุถึงความจริงแล้วว่า ผู้ที่สามารถสละชีวิตของตนเองได้ก็จะได้ชีวิตที่สมบูรณ์คือชีวิตนิรันดรแต่พวกมนุษย์ทั้งหลายที่พากันย่ะเย้ยและลงโทษพระองค์นั้นพระองค์รู้สึกเสมือนหนึ่งว่าคนเหล่านี้เป็นเด็กทารกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ตรัสว่าโปรดยกโทษให้เข้าไปเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไร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 หรือนึกถึงคำแปลแม้จะมีความเข้าใจก็อาจจะไม่ได้ผลถ้าหากนึกขึ้นแต่เพียงแค่นั้นการนึกถึงพุทธคุณที่จะได้ผลอย่างแน่นอนนั้นควรจะนึกขึ้นมาในธํานองนี้เช่นนึกว่าพระพุทธเจ้าถ้าถูกเขาด่าถูกเขาว่าหรือถูกเขาประทุษร้ายเช่นนี้คือต้องนึกถึงเหตุการณ์ของตัวเองที่กาลังเกิดขึ้น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 เพียงแต่นึกขึ้นมาแค่นี้ก็จะทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาแต่ก็อย่าลืมว่าคนที่จะนึกถึงพระรัตนตรยัยและอธิษฐานให้พระรัตนตรัยช่วยเหลือเราคุ้มครองเราหรือบรรดาให้เกิดผลอะไรแก่เรานั้นจะต้องเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างลึกซึ้งและต้องรู้ว่า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 พระรัตนตรัยหรือเทพเจ้าองค์ใดก็ตามจะช่วยมนุษย์ได้ก็จริงแต่ก็ช่วยได้เท่าทวิบากของเรามีอยู่เท่านั้นจะช่วยให้เกินไปกว่าวิบากที่เรามีอยู่ไม่ได้พระรัตนตรัยที่ว่าสามารถช่วยเหลือคนเราได้ก็เพราะเป็นบ่อเกิดหรือเป็นแหล่งบันดาลอันยิ่งใหญ่ที่จะให้คนเรามีกําลังใจต่อสู้กับอุปสรรคทุกชนิด และแรงบันดาลที่ว่านี้จะยิ่งใหญ่เพียงใดจมขึ้นอยู่กับความเชื่อความเลื่อมใสและความเข้าใจในคุณค่าของพระรัตนตรยัยขอให้นึกถึงบรรดาสาวกของพระเยซูที่ออกไปทำการประกาศศาสนาคนเหล่านี้ได้ถูกฆ่าตายเสียมากต่อมากแต่พวกเขาไม่ท้อถอยอุตสาห์พยายามบากบั่นทำงานจนเป็นผลสาเร็จ ทั้งนี้ก็เพราะองค์ศาสดาคือพระเยซูได้สร้างตัวอย่างที่ประทับใจไว้ให้กับสาวกอย่างชนิดที่ยากจะหาศาสดาใดาเหมือนการตายของพระเยซูบนไม้กางเขนมีความหมายอย่างลึกซึ้งสําหรับมนุษยชาติและมีความหมายสําคัญยิ่งสําหรับสาวกของพระเยซูที่ออกไปประกาศศาสนาอีกอย่างหนึ่ง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 ทำให้พืชทั้งหลายสดชื่นและงอกงามขึ้นมาทันทีหมายความว่าบุญกุศลที่เราเคยทำไว้และอยู่ในฐานะที่จะให้ผลอยู่แล้วอันนี้คือตัวการสำคัญที่จะบรรดาให้เกิดผลตามที่ต้องการแต่ผลที่ว่านี้อาจจะไม่เกิดขึ้นทันทีหรือกว่าจะเกิดอาจจะช้าไม่ทันกับความต้องการ แต่พอเราอธิษฐานอ้างถึงพระรัตนาตรัยจะทําให้บุญกุศลที่เรามีอยู่แล้วให้ผลรวดเร็วขึ้นบางคนที่พออธิษฐานแล้วเห็นผลทันตานั้นก็เนื่องมาจากเหตุข้อนี้ลำพังพระรัตนาตรัยล้วนๆไม่อาจจะช่วยใครได้ถ้าวิบากของคนนั้นไม่มีและด้วยเหตุนี้เองคนส่วนมาก ทั้งที่พยายามอ้อนวอนเรือที่ฐานขอให้พระรัตนาตรัยช่วยบรรดาลอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ปรากฏว่าไม่เกิดผลตามที่ต้องการก็เป็นเพราะวิวากของเขาไม่มีที่จะให้ผลตามที่เขาต้องการ บทที่สิบหเหตุไรจึงนับถือกันว่าโอปะปะติกะชั้นพรหมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเทพเจ้าเทพเจ้าหมายถึงพวกโอปะปะติกะที่ได้ฌานแม้จะเป็นมนุษย์อยู่ในโลกมนุษย์ก็ย่อมจะมีความสา ม, มารถพิเศษเหนือคนที่ไม่ได้ฌานเช่นมีสมองดีเป็นพิเศษกว่าคนธรรมดามาก สามารถจะคิดอะไรได้รวดเร็วว่องไวมีความคิดใหม่ๆซึ่งเป็นความคิดที่ดีเกิดขึ้นเสมอเช่นในขณะที่ไม่มีนิวรครอบงำทุกคนจะสังเกตได้ว่าในขณะนี้ความคิดอ่านแจ่มใสกว่าในเวลาที่มีนิวร อ, อย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำและถ้าหากได้ฌานขั้นสูงและมีวสีในฌานด้วย ก็จะมีญาณพิเศษเกิดขึ้นอีกหลายอย่างเช่นเกิดตาทิฟหูทิฟอ่านใจคนอื่นได้ระลึกชาติได้อย่างนี้เป็นต้นโดยธรรมดาคนที่มีบุญหรือมีบาปเมื่อตายจากโลกมนุษย์ไปเกิดเป็นโอปปติกะอยู่ในโลกของโอปปติกะนานผลของบุญและบาปจะต้องทวีคูณขึ้นอีกหลายเท่า ดังเช่นพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่าคนที่ได้ทำบาปไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองคืออยู่ในโลกนี้ก็เดือดร้อนเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็เดือดร้อนและทุกครั้งที่นึกขึ้นมาว่าเราได้ทำบาปไว้ก็ย่อมเดือดร้อนและเมื่อไปสู่ทุกติแล้วย่อมเดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าคนที่ได้ทำบุญไว้ย่อมบันเทิงใจในโลกทั้งสอง คือเมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็บันเทิงใจเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงใจและทุกครั้งที่นึกขึ้นมาว่าเราได้ทำบุญไว้ก็ย่อมบันเทิงใจและเมื่อไปสู่สุขคติแล้วย่อมบันเทิงใจเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าชีวิตในโลกมนุษย์ก็เป็นไปตามกฎของกรรมและวิบากที่สะสมไว้ก็ให้ผลอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่ฉับพลันหรือเห็นผลชัดเหมือนกับในโลกของโอปปติกะเพราะวิบากของความดีและความชั่วของคนในโลกมนุษย์จะให้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและกฎเกณฑ์ของวัตถุหลายอย่างส่วนในโลกของโอปะปะติกะวิบากให้ผลฉับพลันเพราะไม่ต้องขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของวัตถุและสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นคนที่ได้ทําบุญหรือได้ทําบาปไว้เมื่ออยู่ในโลกของโอปะปะติกะจึงได้รับผลมากกว่าเห็นผลได้ชัดกว่าในโลกมนุษย์อันหนึ่งคําว่าบุญและบาปให้ผล น, นี้โปรดทําความเข้าใจให้ดีเพราะคํานี้มีความหมายลึกซึ้งและกว้างขวางมากเช่นคนที่ทําบาปอยู่เสมอและรู้สึกว่า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 คือการสร้างคือการบันดาลเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้สึกฝังใจในทางไม่ดีสะสมต ว, วิบากของความชั่วเอาไว้มากเขาจะต้องได้รับความทรมานจากวิบากของความชั่วอย่างแสนสาหาัสเหมือนกับคนนอนหลับแล้วฝันร้ายอยู่ตลอดเวลาและนานมากกว่าจะตื่นในแง่ของบุญกุศลก็เหมือนกัน คนที่มีความฉลาดเป็นคนที่อยู่ในเหตุผลมีคนธรรมหลายอย่างฝังอยู่อย่างลึกซึ้งคนประเภทนี้เมื่อตายไปเกิดเป็นโอปปติกะความฉลาดที่มีอยู่ก็จะเพิ่มพูนขึ้นมารวดเร็วถึงแม้จะเป็นคนธรรมดาไม่ได้ฌานไม่ได้เป็นเทพเจ้าอยู่ในสวรรค์ชั้นกามาผจรคนประเภทนี้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 ลองเทียบกับเรื่องอายุก็ได้มนุษย์แม้จะมีอายุยืนยาวสักเพียงไรก็ไม่เกินร้อยปีหรือร้อยปีเศษถึงจะได้ฌานได้สมาบัตสูงแค่ไหนอายุก็มีเพียงแค่นั้นจะมีบุญมากสักเพียงไรอายุก็แค่นั้นแต่เมื่อมาเกิดเป็นโอปะปะติกะแล้วอายุเพิ่มขึ้นอีกนับเป็นร้อยร้อ ย, อยปี พ, พันพันปี หรือหมื่นปีแสนปีและที่มากกว่านี้ก็ยังมีอีกขอให้นึกถึงพุทธพจน์อีกครั้งหนึ่งคนที่ได้ทําบาปไว้เมื่อไปสู่ทุกขติแล้วจะเดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าส่วนคนที่ได้ทําบุญไว้เมื่อไปสู่สุขติแล้วก็จะมั่นเทิงใจเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า บทที่สิโดยปกติโอปปาติกะทั้งหลายย่อ ม, ขมเข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์อยู่เสมอข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงก็คือวิบากของคนเราและยังมีความจริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งคนส่วนมากไม่ทราบกันเลยกล่าวคือมิบาคซึ่งมีอยู่ในตัวเรานี่แหละเคลื่อนนาจเดืงดูด ซึ่งทำให้โอปปัติกะที่มีวิบากอย่างเดียวกับเราให้เข้ามาหาเรามาอยู่กับเราและคอยช่วยเหลือในการกระทาของเราอยู่เกือบตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวกันเลยเช่นคนที่ชอบเล่นการพา น, านันหรือชอบดื่มเหล้าก็จะมีโอปปัติกะที่ชอบการพา น, านันชอบดื่มเหล้าอยู่เบื้องหลังการเล่นและการดื่มของเขาอยู่เสมอ บางทีมนุษย์ต้องการอยากจะเลิกแต่แล้วก็เลิกไม่ได้คล้ายกับว่ามีอะไรคอยบังคับอยู่เบื้องหลังอย่างที่บางคนเรียกว่าผีการพนันเข้าสิงซึ่งความเป็นจริงคำพูดประโยคนี้ก็มีความหมายตรงตามตัวหนังสือแม้ในด้านอื่นๆก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเช่นคนที่มีอาชีพเป็นหมอ ก็มักจะมีโอปปปฏิกะที่เป็นหมอคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังแต่ว่าใครจะได้เป็นโอปปปฏิกะชั้นไหนระดับไหนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการกระทาของตนเองนั้นนั่นย่อมขึ้นอยู่กับวิบากของตัวคือถ้าเป็นคนที่มีวิบากมาดีมากก็จะมีโอปปปฏิกะชั้นดีมากมาคอยให้ความช่วยเหลือถ้าเรามีวิบากเลวมาก ก็จะมีโอปปติกะชั้นเลวมาคอยบันดาลใจเราอยู่เบื้องหลังชักจูงให้เรากระทําแต่สิ่งร้ายๆคนที่มีเคราะ ก, กรรมร้ายๆเช่นคนที่ถูกรถชนตายหรือเกิดอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนมากที่เดียวจะมีโอปปติกะประเภทที่เป็นเจ้ากรรมนายเวีนคือเคยเป็นคู่เวีคู่กรรมกันมาก่อน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 และมีด้วยการทุกชาติทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ดึกดำบรรมาแล้วในชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปโดยปกติก็มีโอปปฏิกะเข้ามาเกี่ยวข้องในทางความนึกคิดและในการกระทําอยู่เสมอใครมีวิบากมาอย่างไรเขาก็จะได้โอปปปฏิกะที่มีวิบากมาอย่างเดียวกันกับเขาเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกับสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่าง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 คนเราเมื่อตายแล้วจะไปเกิดในภพไหนภูมิไหนก็เป็นไปตามวิบากหรือเป็นไปตามกฎที่ว่าผู้ที่มีวิบากเหมือนกันย่อมดึงดูดเข้าหากันพ่อแม่จะได้ลูกดีหรือไม่ดีจมขึ้นอยู่กับวิบากของตัวถ้าพ่อแม่มีวิบากมาดีก็ได้ลูกดีถ้ามีวิบากมาไม่ดีก็ได้ลูกไม่ดี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 และในธรรมนองเดียวกันคนที่เคยประพฤติชั่วมาก่อนต่อมาภายหลังกลับใจได้ประพฤติแต่ในทางดีโอปปปฏิกะที่ร้ายก็จะออกจากคนนั้นไปและจะมีโอปปปฏิกะที่ดีเข้ามาช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ตามปกติและเป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่คนทั้งหลายไม่รู้เอง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 คนที่อยู่ในฐานะอย่างนี้แล้วจะต้องร่ำรวยทุกคนเพราะความจริงแท้ๆหรือปัจจัยที่สำคัญนั่นก็คือคนเราจะรวยหรือไม่รวยย่อมขึ้นอยู่กับบา ร, รมีที่ได้สร้างสมอบรมมาคนที่ไม่เคยบริจาคทานหรือบริจาคแต่เพียงเล็กน้อยทานบา ร, รมีมีไม่พอก็ไม่อาจที่จะร่ำรวยได้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 หรือบันดาลให้คนเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จงจำกฎไว้อย่างหนึ่งว่าภายในโลกของมิญญาณย่อมมีความดึงดูดและผลักดันกันอยู่เสมอแม้จะอยู่ไกลแสนไกลอานาจที่ว่านี้ก็ถึงกันได้ระยะทางไม่มีความหมายถ้าวิบากมีกำลังพอก็สามารถที่จะดึงดูดสิ่งที่อยู่ไกลแสนไกลให้เข้ามาหาตัวเองได้ และก็ยยอมจะผลักสิ่งที่เลวร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวไปเช่นเดียวกันถ้าหากวิบากที่ขัดแย้งกันเกิดให้ผลบทที่สิบแปดเหตุไรโอปปาติกาทั้งหลายจึงต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์บางคนอาจจะสงสัยว่าเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เช่นหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแห่งวันระฆัง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 เมื่อท่านตายไปแล้วก็ควรจะไปเสวยสุขหรือไปสิงสถิตยอยู่แต่ในภูมิของท่านปัญหาในทรรนองนี้มีคนสงสัยกันมากเหมือนกันข้าพเจ้าขอชี้แจงให้ทราบว่าการที่ท่านเหล่านี้ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้นนอกจากจะเป็นไปตามวิบากหรือเป็นไปตามอำนาจดึงดูดดังที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีเหตุอีกอย่างหนึ่ง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 ในทำนองเดียวกันเทพเจ้าหรือโอปะปะติกะองค์ใดก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์คอยช่วยเหลือมนุษย์อยู่เสมอนา น, นก็เพื่อสร้างบา ร, รมีของท่านซึ่งเป็นหน้าที่หรือความจำเป็นของท่านและอีกประการหนึ่งเนื่องจากอุปนิสัยเดิมก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้วไม่ชอบใช้เวลาให้หมดไปในเรื่องที่ไม่มีสาระ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 หมื่นปีแสนปีล้านปีทีเดียวแต่ก็ควรจะรู้ถึงกฎอีกอย่างหนึ่งว่าสำหรับคนที่ได้ที่ฐานไว้ว่าจะสร้างบารมีเพื่อช่วยเหลือมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างกว้างขวางนานบุคคลประเภทนี้แม้จะมีบุญอยู่ในสวรรค์เป็นเวลานานแต่ก็จะอยู่ได้ไม่นานจะต้องจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์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 จนกว่าจะถึงเวลาอันเหมาะสมจึงจะจุติลมาเกิดได้และด้วยเหตุ น, นี้เองเราจึงได้พบว่าบุคคลบางคนได้ตายไปนานแล้วนับเป็นร้อยร้อยปีก็ยังไม่จุติลมาเกิดเป็นคนแต่บางคนอยู่ในโลกโอปปะปติกะไม่นานเท่าไหร่ก็มาเกิดเป็นคนแต่อย่างไรก็ดี บุคคลที่กพไปเจ้ากล่าวถึงนี้หมายถึงบุคคลชั้นพิเศษซึ่งส่วนมากก็เป็นพวกพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์บุคคลประเภทนี้จะมีชีวิตอยู่ในโลกโอปปติกะไม่นานทั้งที่มีบุญทำให้อยู่ในสวรรค์ได้นานๆและบุคคลธรรมดาสามัญ บางคนอาจจะมีชีวิตอยู่ในโลกของโอปปปติกะเพียงไม่กี่นาทีก็มีคือหมายความว่าพอตายจากคนก็ปฏิสนธิในท้องคนมีชีวิตผ่านเป็นโอปปปติกะเพียงชั่วขณะเท่านั้นอย่างนี้ก็มีแต่ก็มีน้อยมากเพราะว่าการที่ใครจะมาเกิดเป็นคนนั้นวิญญาณที่จะมาเกิด จะต้องมีความเหมาะสมกับวิญญาณของพ่อแม่และเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมด้วยจึงจะมาเกิดได้ซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้ยากมากที่จะมีได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆคือหลังจากตายก็มีความเหมาะสมในอันที่จะเกิดทันทีโดยทั่วๆไปแล้วผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์แล้วมีชีวิตอยู่ในโลกของโอปะปะติกะ นับเป็นวันก็มีน้อยนับเป็นเดือนก็มีน้อยแต่นับเป็นปีปีตั้งแต่หนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีอะไรทำนอง น, นี้มีมากผู้ที่จะอยู่ในโลกของโอปปปฏิกะนานๆก็คือคนที่มีบุญมากหรือไม่เช่นนั้นก็มีบาปมาก แต่นี่ก็เป็นหลักเกณฑ์โดยทั่วไปเท่านั้นไม่ใช่กฎตายตัวบทที่สิบก้าบทสรุปสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่สามอย่างคือพระรัตนาตรายัยเทพเจ้า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 ทำให้การงานได้รับความสะดวกสบายทำให้วิถีชีวิตราบรื่นและที่สำคัญที่สุดก็คือสำหรับบุคคลผู้ซึ่งมีวิบาคุ้งกุศลกำลังจะให้ผลอยู่แล้วการอธิษฐานถึงพระรัตนาตรัยด้วยความเรื่อมใสยอย่างจริงใจนั้นจะทำให้วิบากของกุศล น, า น, านั้นๆผลิตผลเห็นทันตาอันหนึ่งคนใดถ้าหากมีจิตใจ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 ต่อครูบาอาจารย์และต่อบุคคลอื่นๆที่มีพระคุณแก่ตัวเองนั้นคนประเภทนี้แม้จะมีความรู้ความสามารถอย่างไรก็ตามจะใหญ่โตสักแค่ไหนก็ตามในที่สุดก็จะต้องประสบกับความหายาณะอย่างแน่นอนซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่มีนิสัยกตันยูย่อมจะประสบแต่ความเจริญตลอดไปอันหนึง่ง อย่าลืมว่าเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นจะช่วยเหลือคนเราได้ก็เท่าทวิบากของเรามีอยู่เท่านั้นจะช่วยเกินไปกว่าวิบากที่เรามีอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการอ้อนวอนหรือการอธิษฐานเราจะต้องรู้จักประมาณหรือขอบเขตไม่ใช่ว่าเมื่ออธิษฐานขอสิ่งใดแล้วท่านจะช่วยเราได้ทุกอย่าง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 แต่แล้วยังไม่ได้รับผลของความชั่วนั้นเป็นเพราะอนุภาคของความดีที่คนนั้นได้สร้างสมอบรมมาในชาติก่อนๆรวมทั้งในชาตินี้ด้วยยังคุ้มครองเขาอยู่คนที่ทำความชั่วแล้วได้รับผลเห็นทันตา น, นั้นเป็นเพราะไม่มีความดีคุ้มครองอันหนึง่งขึ้นเชื่อว่าคนที่ทำความชั่วแล้ว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 คนบางคนผิดหวังเพียงเล็กน้อยถูกขัดใจเพียงเล็กน้อยเสียเปรียบเขาเพียงเล็กน้อยก็ทนไม่ได้จะคอยอะไรนานๆไม่ได้ความบ่นหมองความไม่สบายใจเป็นต้องเกิดขึ้นเสมอท่านทราบหรือเปล่าว่าทุกครั้งที่ความทุกเกิดขึ้นในใจนั้นวิบากเขามันจะต้องเกิดขึ้นในสันดาน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 จึงจะสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการจบเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาคที่หนึ่งเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาคสองบทที่ยี่สิบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสามอย่าง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 ก็ไม่อาจจะช่วยมนุษย์และเทวดาให้พ้นจากความทุกข์ได้ตัวอย่างอันนี้โปรดพิจารณาให้ซึ้งจะได้ไม่หลงงมงายยึดถือสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งกันอย่างลมๆแรงๆแท้พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือมนุษย์ได้ก็เท่าชีวิตบาปของเขามีอยู่อันหนึ่งข้าพระเจ้าได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าเทวดาหรือเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย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 ทรงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงช่วยเหลือสัตว์โลกได้ก็เพราะอาศัยวิบากของมกุศลคือบุญบรารมีของพระองค์ข้อขุนรามคําแหงมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระปิยามหาราชและกษัตริย์องค์อื่นๆอีกหลายพระองค์ที่ทรงสามารถกู้ชาติได้ ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญเป็นผลสําเร็จศัตรูทําร้ายไม่ได้ก็พระพระองค์ทรงมีบุญญาพินิหารกล่าวคือได้ทรงบําเพ็ญบารมีมามากคนธรรมดาสามัญบางคนที่สามารถสร้างตัวได้เป็นผลสําเร็จเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ใครทําร้ายไม่ได้แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆทั้งหมดนี้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 แต่ในที่นี้ข้าพเจ้าจะไม่อธิบายเพราะเคยได้อธิบายมามากแล้วในหนังสืออื่นๆคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะสามารถเข้าใจได้จริงๆและเห็นด้วยกับหลักการทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเสนอนั้นก็ต่อเมื่อได้เข้าใจเรื่องวิบากเป็นอย่างดีแล้วเท่านั้นถ้าหากไม่เข้าใจเรื่องนี้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 คนที่มีวิบากมาดีซึ่งหมายถึงคนที่สร้างกุศลเอาไว้มากนานเมื่อตั้งใจจะทําอะไรแล้วย่อมทําได้เป็นผลสําเร็จเสมอเพราะความสามารถที่เกิดจากบุญบา ร, รมีของเขานั้นจะทําให้เขาคลายคลาดจากอุปสรรคและอันตรายต่างๆได้แล้วเขาก็จะพยายามทําไปได้จนกว่าจะสําเร็จคนประเภทนี้เชื่อว่าจะต้องมีอยู่ในที่ทั่วๆไป ฉะนั้นถ้าหากเราจะมีวิธีการอันใดที่จะช่วยคนที่มีบุญบรารมีเหล่านี้มีความรู้ความสามารถและให้เขาได้มีโอกาสออกมาช่วยเหลือสังคมช่วยชาติบ้านเมืองจริงๆแล้วความเจริญจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนความพยายามใดๆที่จะทำให้คนที่มีวิบากมาดีให้ได้มีโอกาส ศ, ศึกษาอบรม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 คนที่จะแก้ปัญหานี้ให้แก่สัตว์โลกได้เป็นผลสําเร็จจะต้องเป็นคนที่มีบุญบรารมีสูงถึงขนาดจะสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้และในขณะนี้ได้มีพระโพธิสัตว์อยู่องค์หนึ่งคือพระพุทธเจ้าของเราซึ่งในขณะนั้นอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะฉะนั้นพวกเทวดาเหล่านั้นทั้งหมด จึงได้ไปทูลอัญเชิญให้เสด็จลงมาเกิดเป็นมนุษย์คำอัญเชิญของเทวดาเหล่านั้นได้ประพันธ์เป็นคาถาไว้ว่ากาโลยังเตมหาวีระอุปปชามาตุกุชยังสเทวกังตาลยันโตพุทธชัดสุอมตังประทังข้าแต่ท่านมหาวีระบัดนี้ถึงเวลาของท่านแล้วที่จะลงไปเกิดในท้องของมารดา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 นอกจากจะมีคนทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันและขอร้องให้เขารับหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้ในเรื่องสาม ก, ก๊กพระเจ้าเล่าปีกว่าจะได้ขงแบ้งมาเป็นที่ปรึกษาราชการก็ยังต้องอุตส่าห์เสด็จไปอ้อนวอนของแบ้งเป็นเวลาหลายวันซึ่งตรงกันข้ามกับคนบางคนที่พยายามจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาด้วยการใช้อำนาจ หรือด้วยการกระทําอันวิชอบคนประเภทนี้มักจะทํางานไปได้ไม่เป็นผลสําเร็จอันนี้เป็นข้อที่ควรจะสังเกตเอาไว้ด้วยสภาพของสังคมหรือสภาพของบ้านเมืองอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้คนที่มีบุญคือคนที่มีวิบากของกุศลมาดีมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ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 อันที่จริงถ้าคนเหล่านี้จะพึงมีศรัทธาและตั้งใจเข้ามาศึกษาในทางพระพุทธศาสนาอย่างเอาจริงเอาจังเหมือนกับที่ตนศึกษาในวิชาอาชีพต่างๆแล้วเขาค็จะได้สิ่งที่ดีๆของพระพุทธศาสนาไปพัฒนาบ้านเมืองได้หลายอย่างท่านเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าการที่คนไทย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 พระพุทธศาสนาสามารถช่วยเพิ่มพูนสมรรถภาพให้กับคนเราได้อย่างมากมายสามพระพุทธศาสนาสามารถสร้างจิตใจของคนเราให้มีศีลธรรมเกิดจากตัวเองได้ซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากที่สุด บทที่23เหตุรายนักศึกษาส่วนมากจึงมองไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาคนที่สามารถจะเข้าใจและเชื่อสนิทว่าพระพุทธศาสนาสามารถช่วยให้เกิดผลสามประการนี้ได้อย่างแน่นอนนั้นก็ต่อเมื่อตัวเองได้ศึกษาและปฏิบัติจนกระทั่งผลสามอย่างนี้เกิดขึ้นแก่ตัวเองแล้วเท่านั้น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 การที่นักศึกษาหรือบุคคลที่เป็นชั้นผู้นำในวงงานต่างๆไม่คิดจะวิธีทางพระพุทธศาสนามาใช้ในวงงานของตัวก็เพราะคนเหล่านี้ยังไม่เคยได้รับผลดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองและในเมื่อตัวเองเคยเห็นแต่ผลจากการที่นำเอาวิธีทางตะวันตกมาใช้จึงได้คิดแต่จะเอาวิธีทางตะวันตกมาใช้พัฒนาบ้านเมือง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 นอกจากนี้คนทั้งหลายยังรู้สึกอีกว่าถ้าขืนไปเรียนธรรมะและเคร่งในทางาศาสนาก็จะประกอบอาชีพหรือทำอะไรไม่สะดวกเพราะมันจะเป็นเสมือนหนึ่งเด็กๆที่อยากจะเล่นอะไรสนุกสนุกตามประษาเด็กแต่แล้วก็มีผู้ใหญ่มาคอยควบคุมจึงทำให้ตัวเองไม่ค่อยสบายใจหรือไม่สะดวกใจในอันที่จะทำอะไรตามความพอใจ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 แต่เมื่อพูดถึงหลักของการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของเราจริงๆแล้วเมื่อเรายังอยากจะฆ่าสัตว์อยากจะดื่มเหล้าอยากจะเที่ยวหรืออยากจะสนุกอย่างไรเราก็สามารถที่จะทำได้โดยไม่ผิดที่ว่าไม่ผิดนี้ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราฆ่าสัตว์หรือดื่มเหล้าหรือทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะไม่เป็นบาปหรือไม่มีโทษ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 การดับตันหาใช้ได้คือความพ้นทุกข์แต่แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสนับสนุนให้คนที่ยังมีเกลียดหนาซึ่งไม่อาจจะละได้ให้มีการแต่งงานให้มีความรักให้รู้จักสะสมทรัพย์รู้จักสร้างตัวสร้างฐานะในทางโลกทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ทราบเป็นอย่างดีว่าในเมื่อจิตใจของใคร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 คนที่ดำเนินชีวิตไปตามสัญชาตญาณหรือตามกิเลสที่มีอยู่ในสันดานโดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับธรรมะมาก่อนนั้นกว่าเขาจะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วและกว่าจะเลือกจากความชั่วได้จริงๆก็จะต้องเสียเวลานานมากแต่ตรงกันข้ามคนที่เรียนรู้ธรรมะมาแล้วซึ่งเมื่อพูดอีกนายหนึ่งก็คือ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 แต่ถ้ามีวิบากมามากก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะเลิกประพฤติชั่วได้แต่ถึงจะนานสักเท่าไหร่ก็ยังเร็วกว่าคนที่ไม่มีพื้นธรรมมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าถ้าหากตนเองสนใจกับทางพระพุทธศาสนาแล้วจะทําให้ประกอบอาชีพไม่สะดวกสแสวงหาความสนุกเพลิดเพลินได้ไม่เต็มที่เพราะอะไร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 และเป็นความเข้าใจผิดที่ครอบงำแพร่หลายในหมู่คนไทยทั่วไปจนกระทั่งถือเป็นประเพณีว่าคนเราควรจะสนใจาศาสนาก็ต่อเมื่อแก่หรือเมื่อมวดภาระในทางโลกแล้วเท่านั้นโดยหารู้ไม่ว่าวิชาทางาศาสนาเป็นวิชาที่ละเอียดสุขุมลึกซึ้งคนที่จะสามารถศึกษาให้เข้าใจและได้ผลจริงๆนั้น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 มีบาของความไม่สบายใจต่างๆที่สะสมอยู่ในสั้นดานก็มีมากสมองก็เสื่อมมักจะจำได้แต่เรื่องเก่าๆและก็ติดอยู่ในความคิดเก่าๆถอนออกได้ยากเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุมากจึงฝึกสมาธิไม่ค่อยได้ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าคนที่จะมองเห็นว่าพระพุทธศาสนา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 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประโยชน์สามอย่างที่กล่าวมาแล้วยังไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองฉะนั้นในเมื่อคนเหล่านี้เป็นตัวจากสาคัญในการพัฒนาบ้านเมืองและเป็นคนที่มีที่พลนในวงงานต่างๆคิดไม่ออกและมองไม่เห็นว่าจะนำพระพุทธศาสนามาพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างไร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 เขาจึงไม่สนใจที่จะนำวิธีทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาบ้านเมืองสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ไม่คิดจะนำพระพุทธศาสนามาพัฒนาบ้านเมืองก็คือคนทั้งหลายมักคิดกันว่าถึงจะทำอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนเราถือศีลเหมือนกันทั้งหมดทุกคนหรือให้ประพฤติตามหลักศาสนาเหมือนกันหมดทุกคน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 พัะพุตเจ้าเริ่มเผยแพร่ศาสนาจากบุคคลเพียงห้าคนเท่านั้นและจากบุคคลทั้งห้าซึ่งได้เข้าถึงตัวศาสนาแล้วนี่เองแต่ละคนก็ได้ชักจูงคนอื่นเข้ามาสู่ศาสนาอย่างได้ผลจริงๆและโดยวิธีการชักจูงต่อๆกันเช่นนั้นเพียงชั่วระยะเวลาไม่ถึงปีก็ปรากฏว่า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 เพราะเขามองเห็นตัวอย่างได้ชัดว่าคนที่เรียนรู้แต่ในทางศาสนาส่วนในทางโลกมีความรู้น้อยก็มักจะมีฐานะไม่ดีส่วนคนที่สำเร็จการศึกษาในทางโลกส่วนมากตั้งตัวได้เร็วกว่ามีฐานะทางการเงินดีกว่ามีเกียรติดีกว่ามีความเป็นอยู่สะดวกสบายดีกว่าเพราะเหตุนี้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 ในสมัยโบราณแหล่งที่จะรู้ว่าใครเป็นคนมีบุญมาเกิดก็คือวัดเพราะภายในวัดย่อมจะมีพระที่เข้าสมาธิเก่งมีความรอบรู้ในเรื่องศาสนาและบางองค์ก็มีความรอบรู้ในเรื่องโหราศาสตร์ด้วยพระประเภทนี้แหละจะสามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนมีบุญมาเกิดอีกประการหนึ่งในสมัยโบราณ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 ในสมัยที่ยังเป็นคารวาวดอยู่เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือรอบรู้ในทางใดทางหนึ่งมาแล้วก็มีด้วยเหตุนี้วัดจึงเป็นสถานที่ศึกษาวิชาทุกอย่างและพระในวัดที่เป็นสมภารหรือที่เป็นอาจารย์ในทางใดทางหนึ่งจึงมีโอกาสรู้จักคนได้มากการสอนศาสนาก็ได้ผลอย่างแท้จริงเพราะผู้สอน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 ส่วนมากก็เพียงแต่อาศัยวัดอยู่แต่การเรียนไปเรียนนอกวัดและวิชาที่เรียนกับวิชาทางาศาสนาก็ไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันและความจำเป็นในทางอาชีพก็มักดึงให้คนเหล่านี้ต้องเหืนห่างจากทางาศาสนาเกือบตลอดเวลาจะมาเริ่มเข้าวัดกันอย่างจริงจังอีกทีก็เมื่อตอนมีอายุมากหมดภาระในทางโลก ซึ่งเมื่อถึงตอนนี้การเรียนก็ไม่ค่อยจะได้ผลดังที่ได้กล่าวมาอันหนึง่งขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าคำว่าคนที่มีบุญมาเกิดนั้นไม่ได้หมายเฉพาะถึงคนที่มีคุณความดีเช่นมีความเมตตากรุณาสูงมีความยุติธรรมสูงอะไรทำนอง น, นี้เท่านั้นแต่หากหมายถึงคนที่มีสมองดีเรียนเก่ง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 หรือในวัยที่ความกดดันทางอารมณ์ไม่ค่อยจะมีด้วยเหตุนี้เองในสมัยโบราณวัดจึงเป็นแหล่งสำหรับจะคัดเลือกบุคคลที่จะทำงานกู้ชาติหรือช่วยพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่างๆได้อย่างดีที่สุดพิชาศาสนาเป็นวิชาที่ละเอียดลึกซึ่งคนบางคนแม้จะเป็นคนมีสติปัญญามาสูงเรียนหนังสือเก่ง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 และเท่าที่พระเจ้าเคยสังเกตในฐานะที่เคยเป็นอาจารย์สอนวิชาธรรมะให้กับพระในมหาวิทยาลัยสงฆ์และเคยฝึกสมาธิให้กับพระนักศึกษาเหล่านี้ด้วยและเคยสอนประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตลอดถึงคนที่มีการศึกษามาดีข้าพระเจ้าเห็นอย่างชัดเจนว่าคนที่จะเข้าใจถึงเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา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 มีความเพียรสูงรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่นิสัยเหล่านี้จะต้องมีอยู่อย่างมากทีเดียวและต้องมีมาแล้วตั้งแต่เด็กๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าเป็นคนมีบุญมาเกิดคนประเภทนี้เท่านั้นที่จะเข้าถึงาศาสนาได้ง่ายแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าในจำนวนพระภิกษุสมัมมาเนรที่มีอยู่ทั่วประเทศไทย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 และเป็นผู้ปฏิบัติชอบก็จริงแต่การที่จะเผยแร่ศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่โลกจริงๆก็ทำได้ผลไม่มากนักไม่เหมือนกับคนที่มีความรู้ดีทั้งในทางาศาสนาและมีประสบการณ์ในทางโลกมามากด้วยเพราะผู้ที่จะทำการสอนสาศาสนาให้ได้ผลจริงๆนั้นจะต้องเป็นโลกวิถูด้วยและอีกอย่างหนึ่ง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 ที่จะต้องขนขวายหาทางศึกษาวิชาอาชีพหรือไม่ก็สะสมเงินทองเตรียมตัวเพื่อที่จะศึกออกไปประกอบอาชีพในทางโลกและในเมื่อศึกออกไปแล้วก็มักจะไปทำงานอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาโดยตรงส่วนผู้ที่ยังเกี่ยวข้องกับในวงการาศาสนาอยู่บ้างเช่นไปเป็นอนุษาสานาจารย์อยู่บ้างก็ยังมีเป็นจานวนน้อย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 ฝ่ายที่จะถูกชักจูงมีความรู้เหนือกว่ า, ชาวเชลยวเฉลลาดกว่าบุคคลที่เป็นฝ่ายชักจูงก็ย่อมจะทำงานไม่ได้ผลและนี่คือความเสียเปรียบที่มีอยู่ในวงการศาสนาทั่วโลกเพราะสมัยนี้ไม่ว่าในศาสนาไหนนคนที่มีสมองดีสติปัญญาดีไม่นิยมเรียนในทางศาสนา ส่วนผู้ที่เข้ามาเรียนในทางศาสนาถึงแม้จะมีบุคคลที่ฉลาดมีสมองพิเศษมาตั้งแต่เกิดสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วมีอยู่ก็จริงแต่บุคคลประเภทนี้มีน้อยและที่มีอยู่บ้างนั้นก็มักจะอยู่เป็นพระตลอดไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่ในวงการศาสนา ยังไม่มีวิธีที่จะชักจูงให้คนที่มีสมองดีปัญญาดีมาตั้งแต่เกิดให้เขามาศึกษาในทางพระพุทธศาสนาจนกระทั่งรู้ถึงแก่นถึงเนื้อแท้และได้รับประโยชน์ทั้งสามอย่างดังที่กล่าวมาแล้วการเผยแพร่พระพุทธศาสนาก็ยังไม่ได้ผลโดยสมบูรณ์อย่าลืมว่าคนที่จะเป็นผู้นำในทางาศาสนานั้น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 เรื่องกฎของกรรมเรื่องสุขภาพทางจิตและจะต้องมุ่งที่จะให้บุคคลเหล่านี้นำเอาพระพุทธศาสนาไปใช้แก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ใช่สอนสักแต่ว่าพอให้มีความรู้แต่จะต้องพยายามสอนให้ได้ผลตามหลักสามประการดังที่กล่าวไว้แล้วนั้นให้จงได้สอง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 หรือโดยที่สุดแม้จะได้มีโอกาสได้เรียนจากครูผู้สอนโดยตรงซึ่งเรียนกันตั้งแต่ต้นไปโดยลําดับเหมือนกับนักเรียนในห้องเรียนก็ตามวิธีนี้ก็ยังได้ผลน้อยมากถ้าหากไม่ค่อยได้ทดสอบถึงความรู้ที่มีอยู่หรือที่จําได้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกคนที่จะสามารถฝึกสมาธิได้ผลจริงๆนั้น ต้องเป็นคนที่มีความรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งถูกต้องละเอียดละออทีถ่วนและจะต้องมีความเข้าใจในวิธีปฏิบัติเป็นอย่างดีด้วยซึ่งการเรียนแบบนี้ที่จะได้ผลจริงๆนั้นมีอยู่ทางเดียวคือจะต้องเรียนจากผู้ที่มีความรู้จริงๆและจะต้องมีเวลาพอในการเรียนด้วยจะทำเป็นเรียนบ้างไม่เรียนบ้างตามอารมณ์ไม่ได้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 จงสังเกตว่าทางโรงพยาบาลจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญและนักเทคนิคในวิชาการแต่ละขแขนงหรือในงานแต่ละแผนกฉันใดในทางพระพุทธศาสนาก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการต่างๆซึ่งสามารถที่จะที่บายพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบหรือประยุกให้เข้ากันได้กับวิชาการทุกขแขนงฉันนั้น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 ก็จะไม่อยู่แต่ในรูปของประเพณีตรงกันข้ามศาสนาจะดำรงอยู่อย่างมีชีวิตชีวาจเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกับความเจริญของโลกและนำโลกไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และสันติสุขทั่วโลกได้ตามหลักการที่เสนอมานี้ท่านจะเห็นได้ว่าผู้ที่จะทาการสอนศาสนาให้ได้ผลตามหลักการดังที่กล่าวมา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 ไม่เช่นนั้นการสอนสาศาสนาจะไม่ได้ผลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงถ้าหากผู้ที่เป็นคารวะ ส, สามารถที่จะยึดอาชีพในการสอนสาศาสนาเป็นหลักได้เหมือนกับอาชีพอื่นๆเช่นอาชีพในวงการแพทย์เป็นต้นข้อนี้จะเป็นผลสะท้อนให้พิสูจน์สมเนรมีความตั้งใจเรียนทางพระพุทธาศาสนาให้มีความรู้แตกฉาน และจะมีความสนใจในการปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนามากขึ้นด้วยอันหนึ่งข้าพเจ้าได้เคยย้ำมาบ่อยครั้งว่าคนที่จะเรียนในทางาศาสนาจนกระทั่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความสามารถอย่างแท้จริงในอันที่จะเผยแร่พระพุทธศาสนาให้ได้ผลนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถเข้าสมาธิได้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 การที่ประชาชนทั้งหลายพากันเข้าใจผิดเช่นนี้ก็เพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วการสอนศาสนาอยู่แต่ในมือของพระฝ่ายเดียวคราว่าถึงแม้จะมีบ้างก็ต้องอาศัยทางราชการช่วยเช่นเป็นอนุศาสนอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นส่วนการที่จะออกมาทำงานอย่างอิสระโดยขึ้นอยู่กับประชาชนจริงๆ ไม่มีใครกล้าทำเพราะคิดว่าถ้าใครขืนทำก็จะไปไม่รอดฉะนั้นจึงว่าเรื่องนี้เป็นมุมมืดทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่ไปเข้าใจกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพระเท่านั้นที่จะทำการสอนสาศาสนาได้ผลแต่เนื่องจากผลงานและพิธีกรรมต่างๆตลอดทั้งคาสอนและวิธีสอน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 และไม่คิดที่จะนำหลักทางศาสนามาพัฒนาบ้านเมืองกันอย่างจริงจังอันที่จริงเราเรื่อกันไปว่าศาสนาเป็นของจำเป็นแก่ทุกคนและถ้าคนไหนได้ผลจากทางศาสนาโดยตรงแล้วผู้สอนจะเป็นพระหรือเป็นครวะไม่สาคัญเพราะปัญหาที่จะไม่เลื่อมใสในศาสนา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 ทางออกที่จะเป็นไปได้มีอยู่ทางเดียวสำหรับคารวาสคือจะต้องมีสถาบันที่สามารถให้การศึกษาในด้านศาสนาแก่คนที่มีการศึกษามาดีตามหลักการที่ได้ถแถลงมาแล้วทั้งหกข้อนั้น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 จะทำให้อย่างรู้ถึงจิตใจคนได้โดยไม่ยากเพราะวิชาธรรมไม่เหมือนวิชาอื่นคือคนที่มีวิบากมาไม่ดีแม้ให้พยายามเรียนอย่างไรให้ใช้เวลามากเสียเพียงไรก็ไม่อาจที่จะเข้าใจซึ่งในศาสนาและเมื่อถึงตอนนั่งสมาธิจเจริญนิปัสนาคนที่มีวิบากมาไม่ดีก็ยากที่จะปฏิบัติให้ได้ผลแต่ตรงกันข้าม คนที่มีวิบากมาดีจะผ่านไปได้อย่างง่ายการศึกษาและการปฏิบัติในทางศาสนาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องกรารกรองให้รู้แน่ชัดว่าใครมีวิบากมาดีและไม่ดีอันหนึง่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่มีจิตใจไม่สูงถ้าเป็นคนมีความฉลาดมีอำนาจหรือมีฐานะการเงินดี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 และจากการค้นคว้านในด้านศาสนามานานนับเป็นสิบสิบปีนั้นเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ากล้าที่จะพูดได้อย่างแน่ใจที่สุดว่าสถานการณ์ต่างๆอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะแก้ไขอย่างได้ผลคือการขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธ์มาพัฒนาบ้านเมืองซึ่งในความหมายที่กล่าวนี้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 จงกระทั่งได้ผลตามหลักสามประการตราบใดยังไม่ได้ผลตามหลักสามประการนี้ก็ต้องพยายามหาวิธีแก้ไขต่อไปอีกและจะต้องมีการลงทุนให้เพียงพอเพื่อให้ได้ผลตามหลักสามประการนี้จนได้ไม่เช่นนั้นก็ไม่อาจที่จะแก้ไขอะไรได้ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า วิธีดำเนินงานเพื่อที่จะให้ได้ผลดังที่กล่าวมานี้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องลงทุนกันมากมายและไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียเวลามากทางนี้ก็เพราะมีกฎตายตัวอยู่แล้วว่าสําหรับคนที่มีวิบากมาดีในเมื่อได้มีโอกาสเข้ามาเรียนทางาศาสนาแล้วจะเรียนได้ง่ายมากและเสียเวลาน้อยในสมัยครั้งพุทธกาลหรือแม้ในสมัยต่อต่ อ, ตอมา เราจะพบว่าบางคนฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็ได้บรรลุมรรคผลบางคนเมื่อก่อนเป็นคนเห็นแก่ตัวโหดร้ายชอบเบียดเบียนผู้อื่นและบางคนก็มีทิฐิจัดถือความเห็นส่วนตัวเป็นใหญ่ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดง่ายๆแต่แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อบุคคลเหล่านี้ได้มาพบกับพระ หรือบางทีก็พบครรวาที่มีความสามารถในการแนะนำเพียงไม่นานเท่าไรก็กลับใจได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าแม้ในปัจจุบันนี้ก็จะได้ผลอย่างเดียวกันข้าพเจ้ามีข้อที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือเท่าที่ข้าพเจ้าเคยพบมานานปรากฏว่าคนที่ชอบไปวัดเป็นประจำไปตามประเพณีหรือไปตามความเคยชิน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 โดยธรรมดาโอปปาติกะทั้งหลายย่อมจะอยู่เบื้องหลังการกระทําของมนุษย์เราอยู่เสมอโดยที่คนเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเช่นคนที่เป็นหมอก็มักจะมีหมอที่เป็นโอปปาติกะมาคอยโดนใจคอยชักจูงคนที่เป็นนักศรรปปิลปะก็จะมีโอปปาติกะที่เป็นศิลปิน คนที่เป็นนักการเมืองนักปกครองนักเศรษฐกิจนักการศาสนาหรือนักอะไรก็ตามก็มักจะมีโอปปปติกะประเภทเดียวกับตนเองมาคอยช่วยเหลือและในธรรมนองเดียวกันคนที่มีจิตใจต่ำประพฤติตัวในทางอบายยมุกหรือเป็นคนโหดร้ายทารุณรวมความว่าตัวเองประพฤติมาในทางไหน มีวิบากมาอย่างไรก็มักจะมีโอปปปฏิกะที่มีวิบากมาอย่างเดียวกันกับตัวเองมาคอยช่วยเหลือมาสนับสนุนซึ่งบางทีในกลุ่มคนที่มาช่วยนี้อาจจะมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ชาติก่อนๆ ก, ก็มีเช่นเคยเป็นพ่อแม่กันมาหรือเป็นลูกกันมาเคยเป็นสามีพันยากันมาเป็นพี่น้อง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 เป็นชีวิตที่น่าสนใจน่าศึกษายิ่งกว่าชีวิตในโลกมนุษย์จากการศึกษาค้นคว้าเป็นผลสำเร็จในแขนง น, นี้เองได้ทำให้มนุษยชาติเริ่มมีความหวังที่จะเห็นโลกดำรงอยู่ในสันติชั่วกาลนานซึ่งจะมีความเจริญทั้งในด้านวัตถุและในด้านจิตใจคู่ขนานกันไป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 ซึ่งเป็นการเคารพด้วยศรัทธาจากการที่บรรยายมาโดยสังเขปนี้ท่านจะแลเห็นว่าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากมายโดยธรรมดาคนที่จะเชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วก็ยังมีชีวิตก็ต่อเมื่อ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 สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งในโลกของโอปปปติกะก็คือสําหรับคนที่ได้ทําบุญไว้อย่างเพียงพ อ, อนั้นเมื่อตายไปเกิดอยู่ในโลกของโอปปปติกะแล้วจะไม่มีปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่เลยเพราะในโลกของโอปปปติกะไม่มีการประกอบอาชีพไม่มีการใช้เงินไม่มีการแข่งขันหรือแย่งหากินเหมือนในโลกมนุษย์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 คนเราก็มีอายุไม่เกินร้อยปีแต่ในโลกของโอปปะปติกะผู้ที่มีอายุนับเป็นร้อยปีพันพั น, พนปีหมื่นหมื่นปีและที่มากกว่านี้ก็ยังมีด้วยเหตุนี้คนที่ฉลาดและมีความสามารถจริงๆนั้นจะหาได้โดยไม่ยากในโลกของโอปปะปติกะเพราะโดยธรรมดาคนที่ยังมีกิเลส ช, ชีวิตจะไม่มีการสูญ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 อย่างรวดเร็วขึ้นอีกมากมายแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมเป็นอันขาดว่าเทพเจ้าแม้จะยิ่งใหญ่สักเพียงไรก็จะช่วยเหลือใครเกินกว่าวิบากที่เขามีอยู่ไม่ได้ความจริงข้อ น, นี้ต้องหมั่นสำนึกบ่อยๆมิฉะนั้นท่านจะกลายเป็นคนเพอ้อฝันหลงละเมอคิดแต่จะพึ่งโอปปติกะอย่างเดียวจนกระทั่งในที่สุด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 แม้ว่าเราจะได้อยู่ต่อหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแม่ว่าพระองค์จะทรงมีความเมตตาต่อเรามากและรู้จักเราเป็นอย่างดีแต่ถ้าหากเราอ่านหนังสือไม่ออกหรือมีความรู้เพียงแค่ปอสีความรู้ความสามารถต่างๆของเราไม่มีจงลองพิจารณาดูว่าในหลวงจะทรงช่วยเราได้สักแค่ไหน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 ในทำนองเดียวกันแม้เราจะสามารถติดต่อกับโอปปปติกะได้ด้วยตัวเราเองหรือจะอาศัยคนอื่นเป็นสื่อกลางก็ตามแต่ถ้าหากเราเป็นคนที่มีวิบากของกุศลมาน้อยเป็นคนไม่เคยมีความดีเด่นในทางใดทางหนึ่งไม่เคยเป็นใหญ่เป็นโตในทางใดทางหนึ่งมาเลยในอดีตชาติก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้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 อันที่จริงในโลกมนุษย์คนที่มีบุญมากมีวิบากในทางกุศลมามากก็มีอยู่ไม่น้อยซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็พร้อมที่จะเป็นสื่อหรือเป็นจุดที่ทำให้อปปาติกะที่ดีทั้งหลายเข้ามาติดต่อเข้ามาช่วยเหลือเช่นถ้าหากเราเป็นหมอที่เก่งอยู่แล้วก็ย่อมจะมีโอปปาติกะที่เป็นหมอซึ่งเก่งเท่ากับเรา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 แคตสำคัญในอันที่จะให้ตัวเราได้รับประโยชน์จากความชื่วเหลือจากโอปปติกะก็คือต้องมันฝึกสมาธิและทำใจให้สบายอยู่เสมอข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วว่าพระพุทธศาสนาสามารถที่จะช่วยเพิ่มพูนสมรรถภาพให้กับคนเราได้โดยอาศัยวิธีทางสมาธิกล่าวคือ สำหรับคนที่ฝึกสมาธิอยู่เสมอและเข้าสมาธิได้ดีนั้นสมรรถภาพจะเพิ่มขึ้นด้วยเหตุสองประการคือหนึ่งเกิดจากความสามารถภายในตัวเราเองหมายความว่าในเมื่อจิตของเราสงบนิวรณ์ทั้งห้าไม่ครอบงำทุกคนไม่ว่าใครถ้าจิตอยู่ในภาวะอันนี้แล้ว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 กำไรที่เพิ่มพูนขึ้นนั้นจะผิดกันอย่างมากมาย 2. เกิดจากการดนบันดาลหรือการชักจูงของโอปปาฏิกะทั้งหลายหมายความว่าในขณะที่ใจเราสงบเป็นสมาธินั้นในจังหวะนี้โอปปาติกะทั้งหลายที่จะให้ความช่วยเหลือเรานั้นจะสามารถชักจูงความคิดของเรา ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องได้ง่ายหรือทำให้เรามองเห็นทางที่จะแก้ปัญหานั้ น, น, นได้ง่ายและถ้าหากเราสามารถที่จะติดต่อได้เองคือสามารถที่จะเข้าสมาธิไปเห็นและพูดกับท่านได้โดยตรงอันนี้จะทำให้เราได้รับผลใหการเพิ่มภูมิสมตรตถภาพมากมายแต่จะมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับวิบากของเรา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 ถ้าหากคนไหนมีวิบากมาดีก็จะเรียนพุทธศาสนาได้ง่ายเข้าถึงพุทธศาสนาได้ง่ายและในเมื่อเข้าถึงพุทธศาสนาแล้วก็จะได้รับผลสามประการดังที่กล่าวมาแล้วคือหนึ่งจะมีใจสบายอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรือในเหตุการณ์ใดๆ 2. ส, สามารถเพิ่มพูนสมถภาพให้แก่ตัวเองได้อย่างมาก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 ไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเอาจริงเอาจังเหมือนกับการศึกษาในทางโลกทางนี้ก็เพราะคนส่วนมากเป็นห่วงในเรื่องอาชีพและอย่างสลาโลกไม่ได้แต่ถ้าหากจะมีวิธีการใดทําให้คนในอาชีพต่างๆได้เข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนาจนกระทั่งได้ผลทั้งสามประการนั้นแล้วในไม่ช้า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 จะปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมตามความจำเป็นตามปัญหาเฉพาะหน้าที่มีอยู่ในชีวิตประจาวันแล้วคนทั้งหลายก็จะประสบกับปัญหาต่างๆที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากและความเดือดร้อนกันไม่รู้จักสิ้นสุดและไม่มีทางเลยที่คนเหล่านี้จะพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ว่าจะมีเงินมีความรู้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 ผู้ที่จะสอนกันแบบนี้จะต้องเป็นคนที่รอบรู้ในเรื่องชีวิตของคนที่จะสอนและรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องสภาพของสังคมความจำเป็นในด้านเศรษฐกิจและในด้านอื่นๆ อ, อ, อีกหลายอย่างและที่สําคัญที่สุดก็คือผู้สอนจะต้องมีความรู้ทางศาสนาจริงๆ จ, จนกระทั่งตัวเองได้รับผลทั้งสามประการนั้น จึงจะสามารถสอนศาสนาให้เกิดผลขึ้นมาได้และสำหรับคนที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เข้าใจถึงเรื่องชีวิตของตัวเองตามความเป็นจริงความประพฤติต่างๆไม่ว่าจะผิดหรือถูกที่เขากาลังดําเนินอยู่นั้นนั่นแหละคือบทเรียนที่จะช่วยเขาเข้าถึงศาสนาได้ง่ายและต่อไปเขาก็จะรู้เองว่าเขาควรจะเลิกประพฤติอะไร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 ถ้ามีพื้นจิตใจมาสูงก็ไม่จําเป็นต้องเรียนมากหรือต้องใช้เวลามากถ้าผู้สอนเป็นคนฉลาดในเรื่องการแนะนำไม่นานเท่าไหร่เขาก็จะรับผลทั้งสามประการนานแต่บางคนก็ต้องใช้เวลานานเพราะพื้นเดิมไม่สูงอันที่จริงการสอนสาศาสนาก็เหมือนกับการแก้รถยนต์บางคันก็อาจจะต้องรื้อเครื่องออกมาตรวจกันอย่างละเอียด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 ผู้สอนซึ่งถ้าหากเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วเขาก็จะรู้ได้โดยไม่ยากว่าคนคนนี้ควรจะแนะนําอย่างไรหรือเริ่มต้นให้เรียนอะไรก่อนเขาจึงจะได้ผลถ้าหากการสอนสาศาสนาได้เป็นไปในรูปนี้ประชาชนโดยทั่วไปก็จะไม่เบื่อาศาสนาเลยการสอนสาศาสนาเพื่อที่จะให้ได้ผลดังที่กล่าวมานั้น แน่นอนเหลือเกินจะอาศัยใจเพียงพระฝ่ายเดียวไม่ได้จะต้องอาศัยคารวะา ด, ด้วยหรือทั้งสองฝ่ายต้องทำงานร่วมกันจะมีแต่คารวะาโ ด, ดยไม่มีพระหรือจะมีแต่พระโดยไม่มีคาวาะไม่ได้แต่เพราะเหตุที่การสอนสาศาสนาเท่าที่เป็นอยู่ในขณะ น, นี้โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับพระฝ่ายเดียว และเนื่องจากพระส่วนมากถึงแม้ท่านจะมีความรู้ปราดเปรื่องในทางาศาสนาแต่ในเมื่อขาดความรู้ในทางโลกการสอนสาศาสนาให้กับฆราวาสจึงไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรและอย่าลืมนึกถึงหลักสําคัญอีกอย่างหนึ่งกล่าวคือผู้ที่จะสามารถสอนสาศาสนาให้ได้ผลจริงๆนั้นตัวเองจะต้องมีมีความกดดันในทางอารมณ์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 ใจจะเกิดเป็นสื่อสามารถรับความคิดหรือการโดนใจจากโอปปติกะที่คอยให้ความช่วยเหลือได้ง่ายสำหรับผลในขั้นนี้เป็นที่หวังได้อย่างแน่นอนถ้าหากเข้าสมาธิได้ดีคือถึงขั้นที่จิตใจสงบจแจ่มใสนิวรนทั้งห้าไม่ครอบงำแต่ผลอีกขั้นหนึ่งซึ่งสูงกว่านี้มากจะได้เฉพาะบางคน กล่าวคือสามารถเข้าสมาธิไปติดต่อได้ด้วยตัวเองคือสามารถเห็นโอปปฏิกะได้ด้วยและได้ยินเสียงที่โอปปติกะพูดได้ด้วยสมมติภาพอันนี้ถ้าหากใครได้ก็จะกลายเป็นอัริยะได้ง่ายแต่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิบากเดิมหรือปุเพกะตะุญยะตาในชาติก่อนด้วย หมายเหตุหนังสือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาคหนึ่งและภาคสองฉบับที่อ่านบันทึกเสียงนี้ทางสำนักคน้นคว้าทางวิญญาณได้พิมพ์ข้อเขียนเรื่องคถาชินะบัญชรของอาจารย์พรรัตนสุวรรณไว้ด้วยแต่เนื่องจากผู้จัดทรรมได้เคยทำซีดีเรื่องคถาชินะบัญชรไว้ก่อนเมื่อหลายปีมาแล้ว จึงไม่ได้อ่านบันทึกเสียงเรื่องคาถาชินาบัญชรไว้ในตอนท้ายของเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกจึงขอยุติธรรมบรรยายเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาคหนึ่งและภาคสองจากผลงานเขียนของอาจารย์พร ร, รัตนสุวรรณไว้เพียงเท่านี้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 ตามความเชื่อถือของศาสนานั้นๆน้อยคนนักที่จะไม่อ้างถึงอำนาจลีลับเพื่อให้ช่วยตัวเองทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์เราทุกคนย่อมรู้ดีว่าความสามารถของตัวเองมีขอบเขตจำกัดแต่เมื่อเราพิจารณาดูถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นฝนตกแดดออก